เปิดตัวเปิดเปิดตัวนี้ดเปิดหรือยังโอเคตัวนั้นเปิดแล้วเอาเลยถามก่อนเด่ ไปจัดการแข่งยิงโอ้ท่านถามยาวเลยจริงๆประเด็นตรงนี้มันพูดถึงในเรื่องของอุปกิณเลสสิบหกที่จริงก่อนที่จะไปจัดการเรื่องของคนที่มีอุปกิณเลสสิบหกมันก็มีตั้งแต่อภิชาวิสมาโลภะ คนที่โลภไม่จํากัดสิ่งของนยภาษาจริงๆท่านใช้คาว่าความโลภไม่สม่ำเสมอหมายความว่าของเล็กก็เอาใหญ่ก็เอาหยาบก็เอาละเอียดก็เอาถ้าได้เป็นเอาทั้งนั้นแต่คนประเภทนี้เขาสามารถที่จะโลภะของคนประเภทนี้สามารถที่จะมีความต้องการไปตามสภาพของสิ่งของที่เจอ วัตถุที่เจอบุคคลที่เจอนั้นโลภะเขาปรับตัวไปตามสภาพสิ่งของนั้นแล้วอยากได้ทั้งหมดลักษณะแบบนี้ถ้าเจอคนประเภทนี้ขึ้นมาเงี้ยโอ้โหต้องไล่ยาวเลยแต่เนี้ยใช่ไหมละ่ะประเภทที่หนึ่งเขาจิตเขาหยาบมากคือเขาตั้งความรู้สึกตั้งทิฏฐิที่ปนกับความอภิชาวิสมะโลภะเนี่ย ความโลภของเขาสามารถจะสูงสูงต่ําๆขึ้นขึ้นลงลงไปตามสภาพสิ่งของได้น้อยก็เอาได้มากก็เอาได้เด็กปันกลางก็เอาของหยาบก็เอาของละเอียดก็เอาของเล็กก็เอาของใหญ่ก็เอาใช่ไหมนะผ้าขาดขาดก็เอาผ้าผ้าดีๆก็เอาเจอคนประเภทนี้ท่านจะทำยังไงเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือถ้ามีปัญญาก็จะสามารถที่จะไปวิจัยแยกแยะว่าอ๋อ อภิชาวิสมาโลภะไอความโลภที่มันเป็นไปตามสภาพของอารมณ์แบบนี้คนประเภทนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนที่เกิดในตระกูลต่ำใช่ไหมเป็นคนยากจนเป็นคนขาดแคลนเยอะแยะหมดเลยนะงั้นการที่เขาขาดแคลนการที่เขาไม่มีเวลาได้อะไรต้องคว้าไว้ก่อนคว้าไว้ก่อนและสภาพของเขาเนี่ยเขาเจออะไรมามากใช่ไหมล่ะ อย่างเช่นอาจจะเคยเกิดเป็นเปรตมาในสังสารวัตอาจจะเกิดเป็นคนยากจนขาดแคลนอาจจะเป็นคนถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรต้องคว้าไว้ก่อนคว้าไว้ก่อนประเภทอย่างนี้เจอคนประเภทลักษณะอย่างนี้ต้องมีปัญญาเพียงพอถามว่ามีปัญญาพออย่างเดียวพอไหมไม่พอถ้าไม่มีกรุณาช่วยก็แป๊บเดียวก็เบื่อแล้วครับจะต้องทาพวกปัญญาและกรุณาให้ได้ดุลยาภาพ ถ้าไปกรุณามากเขาก็แก้เขาไม่ได้ทําให้เขาเสียนิสัยถ้ามีปัญญามากไปก็จะทิ้งเขาไม่เอาแล้วเว้ยแก้ยากขาดการุณาต้องให้กรุณาและปัญญาให้ได้สมถตาให้ได้ดุลยภาพในการที่ว่าการุณาเขาด้วยเห็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาก็แต่เฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างด้วยมันไม่แก้ปุ๊บเดียวได้เลยนะครับคนประเภทนี้ ต้องเอามาอบรมพร่ำสอนเอาไม่ได้บอกวิธีการอะไรก็บอกเยอะแยะหมดเลยถ้าปัญญาไม่ถึงพอในส่วนจริงเราก็แก้เขาไม่ได้ฉะนั้นในบรรดาอุปกิเล์ทั้งสิบหกเนี่ยถ้าเราไล่กันอีกเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งเลยครับคุยเรื่องปัญญาจบเสร็จปุ๊บก็เอาอุปกิเล์มาตั้งคนที่มีอภิชาวิสมาโลภะเป็นแบบนี้นะ คนที่มีโกธะอติโกธามาณะอติมาณะเนี่ยนะปลาศะเนี่ยก็ไล่ไปตามลําดับเบสเสร็จปุ๊บแล้วเราจะแก้แต่และอย่างยังไงก็ต้องรู้ลักษณะของอภิชาวิสมาโลภะกิจของอภิชาวิสมาโลภะอาการปรากฏของอภิชาวิสมาโลภะเหตุใกล้ของเขารู้ว่าไอ้ตรงเนี้กิเลสอย่างนี้มันก็มีในเรา แต่เพียงว่าเรายังมีหิริอุตปปะบางอย่างก็เลยมันตัดออกตัดออกแต่เราก็ยังละไม่ได้ยังไงเนี่ยมันต้องรู้ขนาดนั้นเลยว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าหลายๆท่านเหมือนพวกท่านเนี่ยว่าเรียนรู้จนเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเชื่อไหมถ้าท่านการุณาต่ำเนี่ย <S <S ท่านไม่สนใจคนอื่น <Zeus> หรอกครับน่าเบื่อบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกมันก็มันก็แก้ไม่ได้บอกแล้วบอกอีกก็แก้ไม่ได้ถ้าท่านมีแต่กรุณาอย่างเดียวไม่มีปัญญานะครับหรือปัญญาไม่ถึงนะท่านซ้ําเติมเขาเลยครับ ซ้ำเติมยังไงยกตัวอย่างเช่นเขาจะเป็นไงก็ปล่อยสงสารมันสงสารมันมันจะกลายเป็นคนอ่อนแอทันทีเลยครับเพราะเราขาดปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตเขาฉะนั้นในพระศาสนาการุณาต้องมากับปัญญาเสมอถ้าปัญญามากขาดการุณาก็จะทิ้งขว้างเขาถ้าการุณามากขาดปัญญาก็จะช่วยเขาเลื่อยเปื่อยเลื่อนเปื้อนจนกลายเป็นพ่อที่ใสไม่ดีกับเขา ฉะนั้นท่านจะต้องพอ่อพูในสองตัวขึ้นมาให้ได้บาลานซ์นะครับต้องฝึกให้ได้เลยครับฝึกปัญญาขึ้นมาฝึกกรุณาขึ้นมาฝึกปัญญาขึ้นมาฝึกก ร, รุณาขึ้นมาตามอย่างพระโพธิสัตว์ตามอย่างพระพุทธเจ้าทําไมพระพุทธเจ้าจึงจึงบำเพ็ญบารมีตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านจึงไม่เบื่อหน่ายสัตว์โลกเพราะทั้งมีก ร, รุณาแล้วทาไมท่านจึงไม่ ไม่ไปกระทําให้คนที่เกี่ยวข้องกับท่านเสียหายเพราะท่านมีปัญญาเพราะท่านมีปัญญานกรณีแบบนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าไอตัวปัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นคําตอบถ้าขาดปัญญาซะแล้วเนี่ยไอปัญญาบางทีอย่างยกตัวอย่างเช่นนะว่าสัมมาสัมโพธิญาณ ปเจกับพทิญญาสาวกพทิญญาสังเกตดูนะถ้าสัมมาสัมพุท ธ, ธาเนี่ยปัญญาของบุรุษย่าตนเองตัดสรู้แล้วเนี่ยจะต้องทําให้ษัตริย์อื่นตัดสรู้ด้วยเพราะการุณายึดโยงไว้หลังจากมีปัญญาตัดสรู้แล้วแต่ถ้าหากปเจกับพุท ธ, ธาตนเองตัดสรู้แล้วไม่สอนคนอื่นให้ตัดสรู้ก็สอนให้เขาได้สุคติ เพราะคนที่จะสอนคนอื่นให้ตัสรู้เนี่ยมันจะต้องข้นขวายไปรู้สมมุติสัจจะนอกจากมีปัญญาตัศรูร้ลิขิตได้ตนเองแล้วต้องมีปัญญาในการฉลาดในสมมุติสัจจะแล้วต้องตั้งบัญญัติขึ้นมาตั้งกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาสามารถออกแบบได้ครับออกระบบได้ตั้งระบบได้ไอปัญญาตั้งระบบเนี่ยมันโอ้โหมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับไอฉลาดในสมมติสัจจะเนี่ย จะตั้งระบบของภิกษุยังไงภิกษุณียังไงอุบาสกยังไงอุบาสิกายังไงจะตั้งระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์กติกายังไงเอาปัญญาที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยมาตั้งระบบอีกทีหนึง่งแล้วเพื่อดึงให้คนเข้ามาสู่ระบบฝึกไปตามระบบเข้าทังตลอดสัจจญายมันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเนี่ยไอตรงนี้ถึงว่าปัจเจกับพุทธะท่านจึงบำเพ็ญบารมีสองสอสงไขยแต่บรรดาสุตตพุทธะหรือสาวกสาวพุทธะเนี่ยมีปัญญาตรัสรู้ตามพุทธิย้าว อย่าลืมนวะ่าตัสรู้ตามพระุทธเจ้าเวลาท่านเหล่านี้มีปัญญามาเอาปัญญาพุทธเาณดีกรุณุนนะก็ทําตามที่พุทธเจ้าทําก็เลยดูเหมือนว่าเออทาไมพระอาหารหันต์ตาวกมทำไมสอนสัตอื่นตัดสรู้ด้วยแท้ที่จริงก็คือคําของพระุทธเจ้าทรัพย์ของพุทธเจ้านั่นแหละไปให้เขาทรัพย์ปัญญาไปให้เขาทรัพย์กรุณาเป็นต้นไปให้เขาฉะนั้นเวลาไปสอนสอัตว์อื่นให้ตัดสรู้เช่นสอนให้สัตว์อื่น ยกตัวอย่างเช่นในพระสูตรที่บอกว่าใครไปสอนก็นแล้วแต่สัตว์นั้นที่มันจมอยู่ในชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาทุกข์มรณะทุกข์จมอยู่ในในกายยทุกจริตวจีทุกจริตมโนทุกจริตเมื่อภาษาวกรูปใดรูปหนึ่งไปดึงไปดึงบุคคลเหล่านั้นให้ออกจากชาติทุกข์เป็นต้นให้ดึงจากดึงออกจากกายยทุกจริตวจีทุกข์จริตมโนทุก จ, จริต เข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาจนสามารถแทงตลอดอา ย, ยาศาสตร์ไม่ใช่ศักยภาพของพระรูปนั้นแต่เป็นศักยภาพของพระพุทธเจ้านั้นที่เราใช้ปัญญาไปดึงเขาออกจากทุจริตทางกายทางวาจาทั้งใจให้เขากลับเข้าหาสุจริตให้เขาตั้งอยู่ในศีลมีปาฏิโมกข์สังวารศีลเป็นต้นเนี่ยจนถึงแทงตลอดอา ย, ยาศุศาสตร์นั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดึงเขาออกจากหลม่มจากโคลนจากตมนะ ไม่ใช่สาวกแต่สาวกเป็นแต่เพียงผู้ศึกษามาดีฟังมาดีเข้าใจมาดีจากสูตรจากคำสอนของพุทธเจ้าเป็นอย่างดีแล้วก็ฉลาดในการวางระบบว่าจะใช้เหมือนไปเห็นคนตกอยู่ในโคลนตมเนี่ยจะใช้เชือกจะใช้ไม้จะใช้ผ้าหรือจะใช้มือดึงคือเป็นความชาญฉลาดแต่ไม่ว่าจะเป็นเชือกไม้ผ้าทั้งหลายอันนั้นเป็นของพพุทธเจ้า เป็นของพระพุทธเจ้าดนะังนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยออกจากโครนตมทั้งหลายเหล่านี้ได้ที่จริงก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉุดล้างเข้ามาทีนี้พระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยทําไม่ได้ความที่ไปฉลาดในบัญญัติเหล่านี้ท่านไม่ได้สังสม ท่านสั่งสมเพียงเพื่อตัดสุลุกเองมันต้องใช้โวหารมากมีทั้งอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมะปฏิสัมพิทานิรุติปฏิสัมพิทาปฏิภาณนะปฏิสัมพิทายานใช่ไหมต้องมีความชานฉลาดและยังต้องมีตัวอย่างต้องมีแบบอย่างอันนี้พระปเจวุฒิเจ้บบจาท่านท่านเกิดในยุคที่ไม่มีพระเจ้ทาท่านมีแบบอย่างเลยไม่มีตัวอย่างเลยไม่ได้ฟังจากใครเลยท่านเอาตัวท่านเองรอดอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านสอนใด้ได้สุคตินะ สมาทานศีลสิรักษาบุญสุดเหมือนเหมือนเหมือนหลายๆลายคนเห็นยอมก็เบื่อมาแต่ละคนลองดูถ้าท่านรู้จักกิเลสจริงๆนะครับรู้จักราคาโทสะโมหะรู้จักออุปกิเลสท่านเห็นปั๊บเนี่ยท่านท่านเบื่อทันทีท่านเบื่อทันทีท่านจะไม่เบื่ออยู่คนประเภทเดียวคือคนที่ท่านมีตัณหากับเขามีตัณหาเช่นเขาเป็นญาติ เขาเป็นอดีตภรรยาสามีอะไรก็แล้วแต่เถอะไม่เบื่อหรือว่ารู้สึกเขามีผิวพรรณหน้าตาที่มันกิเลสเราชอบมีทรัพย์ที่กิเลสเราชอบมีชื่อเสียงที่กิเลสเราชอบครับเอออย่างเงี้ยดูเหมือนเราจะกรุณนาที่ไหนได้เราถูกตัณหามาไล้โอ้ยสอนเ้าจังเลยที่จริงไม่ใช่ปัญญาหรอกครับมันเป็นอย่างนั้นถ้าไปเจอไอ้นี้มันคอขอทานมาเลย ขอทานจนนะครับแล้วก็มีแต่คนรังเกียจด้วยครับแต่อันนี้มีอัธยาศัยเลยท่านตั้งกรุณาจริงไหมบางทีท่านเออไม่เอาเราเว้ยมามาแล้วก็เกียดด้วยตัวก็เหม็นสกปกจนก็จนเอยมันมันจะมีอะไรเยอะหมดนะฉะนั้นจริงๆให้ให้ดูความรู้สึกของเราที่เราเกื้อกูลคนอื่นเนี่ยมันเป็นกรุณาแท้หรือกรุณาเทียมมันเป็นเมตตาแท้หรือเมตตาเทียม มันเป็นมุทิตาแท้หรือมุทิตาเทียมมันเป็นอุเบกขาแท้หรืออุเบกขาเทียมถ้าเมตตาแท้มันเป็นกุศลจิตถ้าเมตตาเทียมมันเป็นอกุศลจิตเป็นตัณหานี่เมตตาคืออโศกสะใช่ไหมมันเกิดร่วมกับกุศลจิตวิบากถ้าเมตตาเทียมมันคือตัณหาโลภะเกิดร่วมกับอกุศลจิตวิบากถ้าเป็นกรุณาแท้มันเป็นกรุณาเจตสิกมันเกิดร่วมกับกุศลจิตวิบากถ้าเป็นกรุณาเทียมมันเป็น โทสะเจดสิกมันเกิดร่วมกับทมานัสเวทนาเห็นไหมมันก็อยากจะช่วยเหลือเหมือนกันนะเนี่ยช่วยไปทุกข์ใจไปช่วยไปกุ้มไปนทรมานไปถ้าเป็นมุทิตาแท้มันเป็นมุทิตาเจดสิกที่อยู่ในกุศลจิรุบาทถ้าเป็นมุทิตาเทียมมันกลายเป็นลิษยาที่อยู่ในลูกน้องของโทสะเป็นอกศนจิรุบาทถ้าเป็นอุเบกขาแท้มันเป็นตัตธรรมชัชตตาใช่ไหมเจดสิกที่มันอยู่ในกุศลจิรุบาท มันฉลาดในการที่อแยกแยะเหตุผลตามความเป็นจริงมันรักษากฎเกณฑ์กติการักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามถ้าเป็นอุเบกขาเทียมมันได้แก่โมหะมันไม่แยกอะไรหรอกมันมึนๆงงๆไปอย่างนั้นเลยไม่แยกเหตุผลกลไกใดๆหรอกแต่มันวางเฉยเหมือนกันเฉยแบบโง่เฉยไม่รู้เรื่องเนี่ยเห็นไหมมันต้งบอกว่าเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายเนี่ยยามท่านป่วยนะครับ ป่วยเจ็บเป็นหวัดมากเจ็บคอมากเวลาคนอยากจะรู้ธท ร, ร ม, มากเนี่ยท่านสลัดความรู้สึกเจ็บออกได้จริงๆมิงยแล้วท่านมีการุณากับเขาจริงๆหรือว่าเขาไม่รู้พระธรรมการที่เขาไม่รู้บทแห่งพระธรรมเนี่ยเขาจะเจ็บปวดในสังสารวัตรฉะนั้นเราจะบอกบทแห่งพระธรรมพระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาประเคณให้เขาประทานให้เขามอบให้กับเขา เมื่อเขาจำบทแห่งพระธรรมเข้าใจบทแห่งพระธรรมทั้งอัตถาและธรรมะแล้วเข้าถึงความหมายที่แท้จริงแล้วก็สามารถเอามาปรับใช้ในตนเองได้เขาจะพ้นจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากกิเลสและกองทุกข์จริงๆเราเคยเจ็บคอมานานเราเคยเป็นหวัดมานานเราเคยเป็นไข้ามานานเราเคยเจ็บปวดมานานในสังสารวัตมันมันมันมันแยกตรงนี้ได้จริงๆถ้าแยกได้จริงๆเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกกรุณาแท้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นในเรื่องที่ว่าท่านยิมถามมาว่าเราจะแก้คนที่มีอุปกิเลสแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างโอ้โหเป็นเรื่องยาวเลยเป็นเรื่องยาวเลยฉะนั้นท่านจะต้องหนึ่งศึกษาลักษณะของปัญญาอย่างนี้ให้ชัดแล้วมันจะเห็นเห็นกิเลสในคนจริงๆครับมองปั๊บเนี่ยถ้าท่านฉลาดในคําสอนเมื่อไหร่มันดูตัวเองจนละเอียดหมดแล้ว แล้วเห็นคนอื่นขนาดนี้มาแล้งงงแงงงงแงงมาโอ้โหฟังท ร, รมะก็มาพูดผุ่เพิดไปดูก็รู้คุยแป๊บก็รู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรหรอกมันมันไป ว, ว, ว, ว, วไปู่นว่ว่าๆไปงั่นแนละไม่ได้แต่ไม่ได้พูดให้ทอนะ้อเนอะมันเป็นอย่างนี้จริง โทษอะไรรู้ไหมสังสารวัตเขาไปเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับยอมคนนี้อาจารย์คนนี้พระรูปนี้เนนคนนี้ชีคนนี้เข้าไปมาทั่วหมดแล้วก็จับติติดติด ต, ต, ต, ติมั่วแล้วแล้วเราเจอคนแบบนี้จะทำยังไงวิธีคิดเอาละยังไงยังไงมันก็อุตส่าห์มาเจอเราแล้ว เพมันได้อัธยาศัยหน่อยเถอะเหมือนพระพุทธเจ้าทาไมต้องสร้างบําเพ็ญบารมีให้ได้ลักษณะสามสองประการอนุพยานชนะแปสิบยังไงยังไงให้ประทับทาตรึงใจว่าท่านบูนเนีย่ยสุดยอดมันจะได้ปล่อยศรัทธามาทําไมต้องบําเพ็ญศีลอลังการละสมาธิแบบอลังการละปัญญาแบบอลังการละคุณธรรมมากมายเหลือเกิน เพื่อจะได้ให้หมู่สัตว์ที่มีปัญญาเห็นมันเหมือนว่าถ้าเปิดเรือนคลังออกมาแล้วโอ้โหซั์มีทุกชนิดที่สัตว์ต้องการรัตนะาทั้งหลายมีทุกชนิดสัตว์ชอบพลอยพลอยก็มีเพชรทุกชนิดมีหมดทองชนิดเงินมีหมดเลยว่าอลังการล้าหมดเลยเนี่ยถ้าเปิดเรือนคลังออกมาแล้วมีขนาดนั้นคุณธรรมในพระสัมมาสามมัมพุทธิ์ยถาเปิดออกมา มากมายเก็บไม่ไหว <c oughs> แต่เอาพอประมาณต่อที่จะเป็นประโยชน์แกมูสัตยังไงก็ไม่หมดฉะนั้นทำไมต้องบำเพ็ญขนาดนั้นเพื่อต้องการเป็นพระพุทธเจ้าไงเป็นพุทธเจ้าแล้วได้อะไรก็ได้เนี่ยได้นขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสา ร, รวัตฉะนั้นจึงต้องฉลาดในกิเลสของมูสัตทุกเราเราที่มีกิเลสกุ้มรุมในใจอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ย พะเรามาเจอพระเจ้าเนี่ยมาเจอพระเจ้าพระเจ้าจึงช่วยเราได้ในระดับที่ว่ามายุคนี้อ่มันอยู่ตรงที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับกาลยานามิตรที่สามารถหยิบรัตนนาของพระเจ้าตรงกับตรงกับเราไหมตรงกับเราไหมประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละพอมองเห็นนี่ยังว่าไอตัว กิเลสที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกุ้มรุมสัตว์แล้วก็ผลักดันให้ออกมานะเนี่ยจะออกมาแบบในด้านของที่เรียกว่าอุปกิเลสหรือจะออกมาเรียกว่าอากุศลเจตสิกนะแต่นั่นแหละมันผลักออกมาแล้วผลักนะํานะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้เอาแล้ว เมื่อพุกเมื่อวานพูดถึงในเรื่องของเหตุให้เกิดปัญญาแปดอยา่างเนาะแล้วก็ได้ติดค้างกันไว้ว่าจะพูดเรื่องปัญญาสามชนิดใช่ไหมมีสุตตมยปัญญาจินตา ม, ย, ตปญญาาามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาสามชนิดนี้ ในในสุดตามายะปัญญาก็าแปลว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการฟังจินตามายปญญาปญญาะาาาายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดภาวน า, ามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรมเนาะหรือว่าลงมือทําก็ว่าไอตัวสุดตามยะปัญญาเนี่ยปัญญาที่เกิดจากการฟังได้แก่ปัญญาที่เกิดจากการฟังจากผู้อื่นเช่นถ้ามองในปัจจุบันนี้ก็เรียกการศึกษาการ ฟังการอ่านการเขียนการลินการเพียนพยายามในปัจจุบันที่เราได้รับจากจุดต่างๆนี่แหละแค่นั้นจึงมีความสาคัญมากต่อการที่เราจะสืบหรือดึงข้อมูลความรู้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังเนี่ยเออบางบางคนได้แค่สุดตะแต่ไม่ได้สุตามยปัญญาคือบางคนได้แค่ฟัง แล้วแค่จำแต่จะไม่สามารถทะลุไปจนถึงความเข้าใจอย่างพอพูดถึงในเรื่องของโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเนี้ยมันก็แค่จำว่าโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะไม่ไปสามารถไปเข้าใจลักษณะของโลภะกิจของโลภะอาการปรากฏของโลภะเป็นต้นแต่การที่จะไปเข้าใจในลักษณะอย่างนั้นได้ก็คือว่าคุณภาพของการฟังนะ่มันต้องดี ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกประกาศพระธรรมจักรและกระตัดสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิฎกทาอาริยามากมียองแปดสรุปลงในเรียสรุปลงในอริ ย, ส, รรยสัจธรม 4, รมทั้งสี่แกปัญจวคีทั้งห้าท่านพระโกนธัญญาเนี่ยได้เกิดรำมาจากสุขคือดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยพุทธเจ้าก็อุทานบอกว่า อัญญาซีวัตภโภกนทันโยอัญญาซีวัตภโภกนทันโยบอกโกนทัญญารู้แล้วหนอโกนันยารู้แล้วหน อ, นนหนอใช่ไหมท่านพระอัญญาโกนทัญย่ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาปิภพกยานครั้งแรกจากการได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสสอนเพียงครั้งเดียวการฟังด้วยดีเพื่อให้เกิดปัญญาหมายถึงฟังด้วยความตั้งใจใช่ไหมฟังด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีศรัทธามีความเชื่อมั่นเออทีนี้ คุณสมบัติของบุคคลที่มีปัญญาจากการสั่งสมสุตตะเนี่ยทำให้เป็นผู้ที่มีความรู้เนี่ยที่คงแก่เรียนที่เป็นพหูสูทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเนี่ยเป็นผู้ได้ฟังฟังมากเนี่ยคือทรงจำด้วยนะฟังแล้วทรงจำแล้วก็สามารถที่จะ เ, ออเกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเพราะเพราะความเข้าใจนี่แหละมันสรุปประเด็นได้จับประเด็นได้คือคือลักษณะการการฟังมันมี ที่จะเกิดความเข้าใจมันมีว่าหนึ่งก็คือว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ฟังเนี่ยสามารถจับรายละเอียดทั้งหมดได้เรายละเอียดทั้งหมดได้เรื่องจะยาวยังไงก็จับประเด็นไอสามารถที่จะฟังทั้งหมดได้เนี่ยอักฐานเนื้อความแค่ไหนฟังได้หมดเลยสองจับหลักจับประเด็นได้ยังฟังธรรมจักรกระโพตนาสูตรเนี่ยฟังทั้งหมดได้หมดเลย นี่โดยโดยเนื้อความทั้งหมดรู้ทีนี้ประเด็นสําคัญของธรรมาจาักรกระพรนบหน้าทว่าบรรพชิตไม่ควรเสพอตตะ ก, กิรามัานุโยคและก็การมาสุขาริการนุโยคสรุปมงมัชฌิมาปฏิปทาก็คืออริยมรรคบุองแปดพอดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็สรุปได้อีกตัวสัมมาทิฏฐิต้องไปแทงตลอดอริยะ ส, ะสัตสีสัมมาสังกประต้องออกจากอากุศลสังกประสาม สัมมาวจา j a ต้องเว้นจากวจีทุจริตสสมากมตาต้องเว้นจากกายทุจริตสามได้ละละละอกุศลนะไม่ใช่แค่เว้นอย่างเราเเว้นนะเช่นเว้นจากวจีทุจริตสเนี่ยเราก็เว้นแต่มันไม่ได้ถอนรากไอตัวสัมมาวจาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเป็นตัวไปถอนรากอะไรเวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่การพูดเทศสอเสียดคำหยาเพื่อเจือได้ขาดออกไปนั่นแหละ กิเลสที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเชื่อไอตั ว, ตวโตฐานมันน่ยมันถูกถอนได้ด้วยด้วยด้วยด้วยสัมมาวาจาไอตัวสัมมากรรมัตามันก็คือไปถอนรากของอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกามถอนรากสัมมาชีวะก็คือไปถอนรากอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงขีพผิดเนี่ยไอตัวอาชีวะตัวนั้นสัมมาวายามะมันก็ไปทําสัมมประธานสีให้บริบูรณ์ขึ้นมา สัมมาสติมันก็ฉลาดในสติปัฏฐานสี่หมดเลยเห็นกายกายว่าเป็นกายจริงๆไไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลจริงเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตธรรมะเป็นธรรมะส่วนสัมมาสมาธิก็คือความบริบูรณ์ในสมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌานตติฌานจตุฌานจริ ง, รงๆเลยไอตรงนี้ต่างหากใช่ไหมถ้าเราแปลออกมาเนี่ยไอความที่ไปเข้าใจออละเอียดฟื้นทั้งหมด แล้วก็จับประเด็นได้ไอ้จับประเด็นได้เนะี่ยเหมือนธรรมะเหมือนธรรมะปฏิสัมพิทาเนี่ยมันมันตัวเนี้ยไอ้ตัวฟังแล้วมันเข้าใจจับประเด็นได้เลยอ้ออริยะไอ้อริ ย, รยมรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิก็คือแทงตลอดในอริยสัจจะทำสี่ประชุมในอริยมรคอริยผลเป็นพปสวดดาบันเป็นต้นได้เงี้ยและก็นิรุตติมันก็คือสามารถสื่อได้เลยสื่อได้เลย คือสามารถเอาภาษานั้นออกมาพูดให้คนเข้าใจได้โดยไม่ยากเลยไอ้ตัวนิรุตติเนี่ยส่วนปฏิภานะเนี่ยแปลว่ามีความสามารถทั้งอัตถะทั้งทำมาทั้ ง, ง, ง, ง, งนิรุตตินี่สามารถจนสามารถละบาปได้ไ ด, ได้ได้อย่างาคล่วคล่องและ ว, ว่องไวแล้วคิดอะไรได้อย่างรวดเร็วอย่างคล่องแคล่วว่องไวทันต่อสถานการณ์ต่อเหตุการณ์ได้เอ า, ม, ามันได้จริงๆเลยในขณะนั้นอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นในตัวคุณสมบัติของพระหูสูตรที่ว่าคงแก่เรียนไม่ต้องประกอบด้วยห้าอย่างใช่ไหมหนึ่งพระหูสูตตาฟังมากฟังเป็นคนที่ฟังมากเรียนมั้าตาจำได้จาได้ก็คือจับหลักจับสาระได้จาได้อย่างแม่นยงไอตัววจิสาปริจิตตาก็คือคล่องปากคล่องปากในที่นี้ก็คือแคล้วคล่องชัดเจนเะนี่ย สามารถสาทยายทึตึได้เลยนคุณสมบัติเนี่ยสุดท้ายไอ้สี่ก็คือมนัสสนุเปกขีตาก็คือเพ่งขึ้นใจคือใส่ใจนึกกพิจารณาจนเจนใจนึกถึงครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความขึ้นมาสว่างชัดทันทีเลยแห้มันเคยเป็นขนาดนั้นไหมหล่ะเห็นไหมกรณีอย่างเงี้ยบางทีฟังเพลินๆนไม่ได้นะ พลงนี้จะไม่ได้คุณสมบัติของการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของเป็นผู้หูสูดฟังมากจําได้คล่องปากเจนใจเนี่ยไอเนี้ยบางคนความที่มันความที่มันสุดตรมยปัญญาไม่ดีเนี่ยพบฟังแล้วมันมันได้แค่จับมันได้แค่ผ่านๆแต่มันไม่ลึกลงไปจนถึงขนาดว่าจําจับประเด็นจับสาระได้แล้วก็ ทนได้ในขนาดนั้นเลยแล้วก็เพ่งเพ่งขึ้นด้วยใจใส่ใจนึกพิจารณาจนเจนใจนะมนานัสการข้างใดมันก็ชัดขึ้นมาเลยเป็นเคยเป็นขนาดนั้นไหมเนี่ยอีกตัวเนี้ยสาคัญที่สุดมนานัสการเมื่ อ, อไหร่ก็ชัดขึ้นมาแล้ตัวสุดท้ายก็คือทิทยาสุ ป, ปติวิทาคือขอบคิดได้ด้วยสติดีคือแทงตลอด มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาในแง่ความหมายและเหตุผลไอตัวสุดต่มันไปไปจบลงตรงนี้นะไปจบลงตรงที่ว่าขอบคิดด้วยทฤษฎีขอบแทงตลอดด้วยทิฏฐิมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาทั้งในแง่ความหมายและเหตุผลในขณะฟังมันชัดขึ้นมาในขณะนั้นเลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสุดตะ มยปัญญาแต่บางคนมันได้แค่สุตตะเออบางคนได้แค่ไหนได้แค่ฟังมากแต่จำไม่ได้นี่มันได้สุตตะอย่างเดียวมับางคนจำได้นะจับหลักได้อย่างแม่นยำเบีดเสร็จแต่ไม่คล่องไม่คล่องทวนไม่ได้บางคนอทวนได้คล่องพอสมควรเนี่ยนะแต่เพ่งแล้วมันไม่ขึ้นเร็วนึกแล้วสว่างว่าเขึ้นมา มนาศิการเมื่อไหรก็สว่างสว่างลงเนี่ยมันไม่ขึ้นไอ้มนาศิการแล้วสว่างโลงยังไม่พอเนะยจนสามารถที่บอกว่าขอบคิดได้ทิศอีกสามารถเข้าใจประจักษ์แจ้งนะมองในงแง่เห็นก็คือว่าทั้งในงแง่ความหมายและเหตุผลเข้าใจชัดในขณะฟังอันเนี้ยสุตตามาจบลงตรงนี้ยสุตตามายจัญญาพอมองเห็นไหมยังไม่ถึงจินตานะครับตอนเนี้ยจินตารึคนนี้ อันนี้สุดตาสุตาจากการฟังฟังแล้วมันได้ข้อคิดได้ฟังแล้วมันได้มุมฟังได้วิจัยได้ฟังแล้วเข้าใจไม่ต้องพูดถึงฟังหลับไม่ต้องพูดเลยนั้นจบเลยนั้นไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วเพราะว่าแค่คันที่สองก็จบแล้วแค่จําได้นี้จบเลยไปไม่เป็นเลยนะ้ถ้าไม่ฟังได้ดีเนี่ยแค่จําได้ไปไม่เป็นเลยครับถ้ามันต้องโปร่งจริงจิงจิตเนี่ยจิตโปร่งมันต้องชําระอะไรรู้ไหมชําระนิวรณนเนื้อ คนไม่ชำระนิวร์เนี่ยไม่ได้สุดตามยะปัญญาครับฟังแค่นแค่ฝืนฝืนใจไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจหดหูท้อถอยจบเลยคนระับปัญญาระดับนี้ไม่เกิดครับหรือฟังทีกังวลเรื่องนุ้นกังวลเรื่องนี้ไม่ได้แล้วครับสุดตามยปัญญาไม่ได้แล้วครับตัดทุกเรื่องไม่ใส่ใจอะไรเลยใส่ใจมนณสิการตรงนี้ แม้มแมลงวันเฉียวยังไม่รู้สึกเรี่ยงเนี้ยโอ้โหเนี้ยเนี่ยใส่ใจที่จะตั้งใจจะฟังจริงจริงมันรู้สึกใจรักที่บอกว่าศรัทธาแล้วเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้เงี่ยโสงบลงสดับตั้งจิตรับรู้ทําฉันท่าขึ้นมาใจรักมากโอ้มีค่ากับเรามากใช่ไหมครับมีค่ากับเรามากเหมือนอยู่ครั้งหนึ่งเนี้ย อาจารย์เนี่ยเรียนสติปัฏฐานอ่านนะครับอ่านสติปัฏฐานสูตรอ่านแล้วไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งแต่ไม่กล้าบอกคนอื่นเราเป็นอาจารย์เขาในตอนนั้นเฮ้ยแต่เวลาบรรยายก็บัญญายผ่านๆไปแต่ก็รู้แล้วไม่มีใครกล้าถามหรอกเรื่องอะไรรู้ไหมก็ เ, ออเปิดเผย้วังเรื่องพัดลูกศิษย์กับอาจารย์่ย สมพระไตรปิฎกกันทั้งคู่อาจารย์ก็สมพระไตรปิฎกแล้วก็สอนลูกศิษย์ที่สงพระไตรปิฎกมีอยู่วันนึ่งก็คุยกันไงคุยกันว่าเ อ, อสติปัฏฐานสี่เนี่ยออมันอาจารย์เห็นว่ามันเป็นมิสกามักมันเป็นมักผสมคือโลกิยมามักกับโลกุตระามาักผสมกันลูกศิษย์ก็บอกไม่ใช่อาจารย์ สติปฐานสี่เนี่ยเป็นมรรคเบื้องต้นเป็นปุปะภะคอืออันนี้คือจริงๆภาษามันไม่ใช้แบบนี้ไงเวลาอ่านในพระได้วิฎกอ่ะสติปฐานสี่เป็นปุปภคของมรรคอาจารย์เห็นว่าสติปทานสี่เป็นมิสกรมมรรคว่างั้นนะไม่อ่านแค่เนี้ยแล้วเอออะไรวะเออแล้วแล้วก็งงดิเราเราอ่านแล้วก็งงก็อ่านไปเรื่อยๆเรยๆเรยๆศึกษา อะไรวะปุปรภักของมรคอะไรว่ามิสกะมรคเราไม่รู้ไหมกายานุปัสนาเวทนาจิตาและธรรมะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ไม่ชัดเพราะเราไม่มีอสุตตะเราไม่ดีนี่แหละการอ่านการศึกษาเราก็ไม่ไม่ดีนี่แหละรู้ไหมปุปรภักคืออะไรฮะมิสกา คนที่เขามีบัญญาเขาฟังเพราก็ขาจับประเด็นจับจับจั บ, จ บ, จบไว้แล้วก็เขาเขารู้สึกมันมีฉันท่านิจัยรักเนะนี่ยแล้วก็มีแล้วก็ก็แค่นี้นะแล้วต่อมาก็พอลูกศิษย์ก็บอกว่าเป็นเป็นปุบพภาคอาจารย์อาจารย์ก็เสียงแข็งขึ้นมาเป็นมิศกาเนี่ยนะลูกศิษย์ก็เลยเงีย ไม่ไมทีนี้ต่อมาถึงเวลาฟังธรรมเป็นเวรที่ลูกศิษย์เนี่ยจะขึ้นเทศเขาเรียนเวียนเทศกันไงงั้นจะเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์เนี่ยคือเรียนกันอย่างเงี้ยทุกคนต้องขึ้นบรรยายเมื่อลูกศิษย์บรรยายอาจารย์ก็ต้องฟังเพราะเขาชอบที่จะฟังเขาจะไหมในยุค ก, ก่อนเนี่ยถ้าไม่ต้องไปตามกันเลยครับถ้าพูดเรื่องฟังธรรมเนี่ยลอคอนลอก่อนวิ่งใครก็อยากจะนั่งหน้าเนี่ยทีนี้ พอมาถึงพบอาจารย์ก็เป็นสกิดเออก่อนหน้านะั้นอาจารย์ไปอสงน้ำสงน้ำก็ทวนไงเอกรยยโนยยังพิเกเวมาโกสะตานั่งทวนไปสุดสุดท้ายอะว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยปฏิบัติเจ็ดปีได้บรรลุมรรคแล้วก็ไล่มาทึเจ็ดๆๆเดือนไล่มาจนถึงเจ็ดวันตกใจเลยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ไ สติปฐานสี่เนี่ยมันจะมันจะเป็นมรรคผสมไม่ได้มันมีที่ไหนคนบรรลุปุ๊บแล้วมันค้างเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นไปไม่ได้หรอกโลกุตระมันเกิดปุ๊บครั้งเดียวมันก็ดับแล้วฉนั้นไอ้ที่บอกว่าเป็นเบื้องต้นน่ถูกแล้วมันไม่ผสมกันหรอกโลกุตระกับโลกยาเนี่ยไอ้ภาษาแบบนี้มันไม่ได้ขยายมเหมือนอาจารย์พูดแบบนี้เข้าใจไหมแต่อาจารย์อ่าน ถามใครเขาก็ไม่อธิบายให้อาจารย์ฟังไงโอหอาจารย์ไปเข้าใจได้ยังไงตรงนี้อาจารย์ไปนั่งนั่งอยู่ที่สติปัฏฐานที่พระเจ้าแสดงสติปัฏฐานแล้วไปทวนเนี่ยทวนในใจครับทวนตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งนี้นะครั้งก่อนโอ้เราบวชเข้ามาในาศาสนาของพระชิ น, นเจ้า ศึกษาสติปัฏฐานเป็นหลักปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งบรรพชิตและคฤหัสถําให้เข้าใจสติปัฏฐานเนี่ยจะบรรลุอริยมรรคอริยผลก็ไม่ใช่ฐานนะด้วยกุศลความดีได้บุญกุศลที่บอกพุทธปฏิบัติมาบําเพ็ญขอให้คิดอัตถะของสติปัฏฐานเนี่ยทั้งบาลีอัตถาดีกาให้ทะลุทะลวงปลอดโปร่งโล่งเบ้าด้วยเถิด อ, อธิษฐานจิตตึ๊ด นั่งทวนแลยดิ้นนี่ฟุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊าก๊ตน๊ตุ๊ตุมตุ๊ตุ๊าุ๊ตารตมาจากการไม่ตุอตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊อุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตก๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ะุ๊ตุ๊ตุ๊ตุเป็นตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ่ตุ้ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุนั่งใกลตุ๊ตุ๊ยุ๊ แล้วขจัดกิเลสออกกิเลสมานั่งโงกง่งวงไ ม, ไม่เลยนะขจัดเลยนะทั้งง่วงรีอว่จัดออกเลยเพราะไม่เคารพทำจะเป็นเหตุไม่บรรลุธรรมเหรอไหม น, น่ากลัวนะถ้าไม่เคารพทำไม่ไม่เคารพรมจะเป็นเหตุไม่บรรลุธรรมพราะเข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วสติปัฏฐานเนี่ยกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาธรรมะมันเป็นการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเป็นต้นไปมันไม่ใช่เป็นผสมกันระหว่างโลกิยะ ก, กับโลกุตละมันไม่ใช่เป็นมิสกะ แล้วถ้าหากบรรลุแล้วมันไม่ไปค้างเตย อ, อยู่บรรลุโสดาปฏิมากรปุ๊บมันก็เป็นโสดาปฏิผลแล้วก็ได้สำเร็จผลไปแล้วเี่ยมันก็ไม่เสื่อมแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นที่ ท, ที่ต้องการพูดว่าการที่เราไม่ได้เพ่งขึ้นใจใส่ใจนึกพิจารณาให้เจนใจนึกข้างใดก็ปรากฏขึ้นมา ท, าทันทีมันไม่สว่างกับอีกข้อหนึ่งก็คือคบได้ด้วยทฤษฎี ขบคิดได้ด้วยทฤษฎีหรือแทงตลอดด้วยทิฏฐิคือมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาทั้งในแง่ความหมายและเหตุผล น, นี่ตรงนี้แหละมันเป็นมันจุดจบของสุตตมัยปัญญาตรงนี้จนสามารถออขอบคิดได้ตามทฤษฎีไ ด, ได้ได้หมดแล้วแล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นด้วยทิฏฐิ แล้วก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งประจักษ์แจ้งได้ปัญญาทั้งในแง่ความหมายทั้งในแง่ของเหตุและผลได้ทุกแง่ทุกมุมแล้วเนี่ยสุดตามันได้แล้วโอเคแล้วชัดแล้วลึกฟังแล้วเข้าใจชัดโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราฟังมันไม่ชัดลงตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ชัดลงตรงนี้อาตรงนี้มันจบภารกาิจไดอยังยังขั้นตอนต่อไปก็าเรจินตามยปัญญาไ้จินตามยปัญญาหมายถึงความรู้ความสําเร็จการใช้ความคิด อย่างเป็นกระบวนการไม่จะคิดมั่วเนอะคิดอย่างเป็นกระบวนการเนี่ยหรือเป็นการคิดแบบมีเหตุมีผลและก็น้อมนำธรรมะไปพิจารณาไตรตรองค่ายควรในทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าคิดแบบนี้ว่าเป็นการคิดแบบโยนิโสมนสิกาละคือคิดโดยแยบคายคิดอย่างถูกอบายคิดอย่างถูกวิธีก็ว่าไปเถอเนย เป็นความตึกตรองเพ่งพินิษ์เพราะผู้มีปัญญาเพ่งพินิษ์เนี่ยท่านบอกว่าผู้มีปัญญาตึกตรองเพ่งพินิษ์ผู้มีปัญญาเพ่งพินิษ์แม้ชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีชีวิตผู้มีปัญญาสามเนี่ยมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีใช่คนบางคนเนี่ยท่องธรรมะพุทธเจ้าก็ จำก็ไม่ไปไข้ ค, ควรให้เข้าใจเหตุผลจนสามารถขอบคิดด้วยทฤษฎีแทงตลอดจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยปัญญาสามารถทิ้เหตุผลตามความหมายได้บางคนได้แค่ น, นี้มันไม่พอไงมันจะต้องทํากินตามมรรยญพาคือการคิดด้วยกําลังของโยนิโสมนัสิการเนี่ยคืออย่างนี้ไอตัวโยนิโสมนัสิการเนี่ยมันเป็นปัจจัยทั้งสุตตะทั้งกินตะถ้าฟัง ถ้าสมนเนเนี่ยฟังขาดโยนิโสปบจบจบเลยนะไม่มีทางได้ไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจเช่นฟังแล้วกุศลและจิตไม่เกิดไม่ได้โยนิโสนะครับเจ็ดเสร็จแล้วงานเนี้ยโลภะเกิดกับโทสะเกิดโลภะแบบแบบมันมันไม่ มันไม่อยากฟังต่อหรืออยากโทรสาเกิดก็หงุดหงิดแล้วเซงเบื่อซึม ง, งอยเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรเล่นงานอยู่อโยนิโสเป็นปัจจัยแกอากุศลอย่างนี้ไม่เรียกว่าฟังพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีถ้าพูดกันตรงๆว่าดูก่อนท่านท่านจงตั้งโยนิโสมนัสการทําให้กุศลแลจิตเกิด ท่านจงฟังด้วยกุศล จ, จิตนะอย่าฟังด้วยอกุศล จ, จิตถ้าท่านเสพอกุศล จ, จิตหรือให้อกุศล จ, จิตเกิดขึ้นในใจปุ๊บท่านจะเป็น阿拉กทูปริยัติจะเป็นการเรียนธรรมะผิดพลาดทันทีเลยเหมือนจับงูพิษทางหางทันทีอะไรคืองูพิษทิฏฐิมานะที่เกิดกะโลพาหรือโทสะหรือโมหะนั่นเป็นงูพิษมันเล่นงานใายมันกาดใาย มันกัดท่านแล้วมันฉกกัดแล้วเจ็บปวดแล้วต่อให้จำไปก็จำแบบอะไรจำด้วยอกุศลจิตคิดอย่างอากุศลจิตปรุงแต่งด้วยอกุศลจิตมนัศการแบบอกุศลจิตเสพคุ้นด้วยอกุศลจิตแล้วเป็นยังไงแต่เนี้ยไปเอาอากุศลจิตมาฟังธรรมะที่บริสุทธิ์ที่พระญาณบาเพ็ญบา ร, รมีมาทั้งเสีสยสงการยิ่งด้วยแสนหมาก คู่ควรกันไหมไม่ได้คู่ควรกันเลยนะทีนี้มันเสียหายตรงไห น, นไม่จากการจําผิดนี่แหละมันก็เลยเป็นเราจําเราเข้าใจมีอัตตาตัวตนเข้าไปสิงไปเก่ น, ปกนเป็นแกนเบีเสร็จปุ๊บเรารู้ธรรมะเราไม่รู้ธรรมะเราฉลาดเราไม่ฉลาดขึ้นมาเบ็ยเสร็จปุ๊บ มันจะไปไปเพื่อเอาไปถกเถียงกันบ้างเอาไปเพื่อข่มคนอื่นบ้างเอาไปเพื่อลาบสกาละเสียงสารเสิญเยินยอบ้างเอาไปเพื่อปฏิบัติแบบผิดผิดพลาดพาบ้างเอาเป็นข้อล่อลวงคนอื่นบ้างนี่มันเสียหายแบบนี้เข้าใจไหมล่ะฉะนั้นสลดคือสุดตามยปัญญาก็ต้องมีตัวโยนิโสมนสิกาละมันถึงจะเกิดความเข้าใจในขณะที่ฟัง แล้วกุศลแศัท ธ, ธาต้องเกิดความเพียรต้องเกิดสติต้องเกิดสมาธิปัญญาต้องเกิดในขณะนั้นถามว่าในขณะกุศลจิตกําลังเกิดมนัสิการให้กุศลจิตเกิดอย่างติดต่อต่อเนื่องมีฉันทะมีความมีอุตสาหะมีความเพียรแล้วก็มีสติกําลังจับประเด็นในการฟังอยู่มีความตั้งมั่นแห่งจิตจิตโปร่งโล่งเบาในขนาดนั้นแล้วก็คบคิดด้วยทิศรีด้วยปัญญาจนรู้เข้าใจเหตุและผลในขณะฟังนั้นๆ ถามว่าในขณะนี้เชื่อว่ากำลังปฏิบัติธรรมะไหมแต่ถ้าง่วงซึมโ ง, ง่หรืออย่างเงี้ยอย่างเนียนแหบเงี้ยอย่างนี้ต้องแก้ไขทันทีวิธีแก้ทำไงอ่ะวิธีแก้เนีนทำไงจะให้อาคุศลออกทำไงจะทำไงวิธี เ, เวลาเกิด มันง่วงมันซึมอย่างเนรเป็นอยู่ตอนนี้สมมตนะิเนรจะทำยังไงถึงจะออกกับมันได้ทำไงไม่มีวิธีเลยฮะเป็ น, <ะ> เ, ปนเอ่อใช่ไม่กล้าใช่ลุกยืนดีทั้ทงนั้น ทำไมงงงงยงลุกยืนลังแล้วก็ขอโอกาสไปล้างหน้าก่อนทำได้ไหมจริงจริงวิธีการจริงจริมันเกี่ยวเรื่องนามาทําแต่จริงๆรลูกประธรรมมันสุดใช่ไหมมันมันมันไม่กระเตื้อเลยลในชีวิตในการศึกษาในการอ่านธรรมะในแรงต่างๆเนี่ยไม่ไม่เคยงง เราะเป็นคนมีใจรักสูงมากประดุดเหมือนว่าเราเฝ้าพระเจ้าอยู่จริงๆอ่นี้ทีนี้เอาจินตามมายปัญญาเนี่ยก็ใข้ครวนด้วยโยนิโสมมนัสิการนี่แหละทีนี้การที่จะเพ่งพินิจด้วยปัญญาเนี่ยที่บอกว่าตัวการคิดเนี่ยที่มันเป็นทั้งอุปายามนัสิกาละไอคิดถูกทางถูกวิธีเนี่ย เป็นทั้งปฐมนาศิกาละคิดไปตามแถวตามแนวเนี่ยกรณมนาิกาล่ะก็คิดอย่างมีเหตุและผลคิดสาวค้นค้นหาเหตุผลถ้าคิดอย่างถูกวิธีก็เรียกว่าอุปาญานาศิกาล่ะคิดเป็นทางคิดให้ถูกทางก็เรียกปฐมนาศิการ่ะคิดสาวหาเหตุคิดอย่างมีเหตุผลก็เรียกกรณานาศิการ่ะคิดให้เกิดผลก็เรียกอุปาท각นาศิการ่ะใช่ไหม ไอ้ตัวโยนิสโสในอัตถสารดีกาที่ขยายไว้เนี่ยไอ้ความคิดลักษณะอย่างนี้แหละมันเป็นปัจจัยเกิดปัญญาฉะนั้นการคิดสาวหาเหตุเนี่ยคิดตามหลักเหมือนปฏิจจสุบาทเงี้ยวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นอันนี้นกรณีแบบเนี้ยการวิจัยแยกแยะหาเหตุหาผลเป็นไปตามลำดับอย่างเนี้ยหรือคิดแยกแยะองค์ประกอบ แบบวิเคราะห์ก็ได้คิดเข้าหาสามัญญลักษณะหรือลักษณะที่เฉพาะตัวก็ได้ลักษณะเฉพาะตัวของปัญญามีลักษณะอย่างไรกิจ ข, ของปัญญาเป็นอย่างไรอาการปรากฏเป็นอย่างไรนไรไีลักษณะเฉพาะตัวปัญญามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยคิดเข้าถึงสามั ญ, ญลักษณะอย่างนี้เป็นต้นคิดแบบอริยสัจก็ได้อันว่าอันนี้เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เป็นต้นลักษณะการคิด นั้นตัวจินตามัยะปัญญาเนี่ยคิดได้กว้างขึ้นได้ลึกขึ้นได้ละเอียดขึ้นมากกว่าที่ฟังมากกว่าที่ฟังทีนี้เอกกระบวนการคิดแบบนี้เราไม่ค่อยถูกสอนให้คิดกันนะเช่นนะพอพูดถึงเรื่องกุศลจิตปุ๊บเราไม่ได้คิดแยกองค์ประกอบในบรรดาคราับ กุศ ล, ลจิตทั้งหลายหรือกุศลจิตวบากทั้งหลายมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างในนั้นเราไม่เคยไปคิดว่าโอโห้หมันมีองค์ประกอบทั้งผัสสเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชิดจีมณจการวิโตวิจารอธิมโมกุริยาปีติชนทาสัทธาสธติเรียโอตปาโลพะโทสะตัตระมชิตตากายะปัสธิจิตาปัสธิจนถึงปัญญาเป็นต้นเนี่ยเราไม่เคยคิดแยกองค์ประกอบว่ามันมีองค์ประกอบปรุงแต่งมากมายขนาดนี้ อยากเป็นส่วนของเวทนาขันส่วนหนึ่งสัญญาขันส่วนหนึ่งสังขารขันส่วนหนึ่งวิญญาณขันส่วนหนึ่งที่ได้กุศลจิตุบาตตรงนี้เราไม่เคยไปคิดว่าโอ้โหำกําลังของกุศลจิตเหล่านี้ที่มันมีคุณภาพต่างกันเพราะเพราะมันได้เหตุปัจจัยที่ต่างกันกุศลจิต ท, ที่เกิดกับนกับแฮมกับวานกับทั้งยิม้มเนี่ยกับอาจารย์กุศลจิตเกิดแต่พลังของกุศลจิตต่างกันเส้นเชิงบางกลุ่มเป็นสมานะ เป็นอสังขาริกด้วยมีปัญญาประกอบด้วยบางกลุ่มเนี่ยสมมานัตด้วยเป็นอสังขาริกด้วยแต่ไม่มีปัญญาประกอบบางกลุ่มเป็นสมมานัตเป็นสัตสังขาริกมีปัญญาประกอบบางเป็นโสมมานัตเป็นสัตสังขาริกไม่มีปัญญาประกอบบางกลุ่มเป็นอุเบกขาเป็นอสังขาริคมีปัญญาประกอบบางกลุ่มเป็นอุเบกขาเป็นอสังขาริกไม่มีปัญญาประกอบบางกลุ่มเป็นอุเบกขาเป็นสัตสังขาริกมีปัญญาผสม มีปัญญาประกอบบางกลุมเป็นอุเบกขาด้วยเป็นาศาสังขาริกด้วยไม่มีปัญญาประกอบอย่างนี้เป็นต้นเออมันยังมีคุณภาพไอ้คุณภาพต่างๆเหล่านี้มันมาจากสัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาที่ต่างกันมาจากฉันทาวิรยิยะจิตตาปัญญาที่เป็นองค์คุณที่อยู่ในนั้นมีความต่างกันการได้รับปัจจัยทั้งหลายการได้ข้อมูลทั้งหลายการวิเคราะห์เจาะหรืการคิดทั้งหลายมันมีความต่างกันตรงนี้ตัวคุณภาพของกุศลจิตมันจึงต่างกันไปให้ทานเหมือนกัน สภาพกุศลจิตก็เกิดไม่เท่ากันฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นมันจึงปรุงแต่งกลุ่มนามธรรมเนะี่ยให้ความวิจิตบันจงที่ต่างกันปรุงแต่งรูปธรรมให้ต่างกันเจตนากรรมในนั้นมันก็ต่างกันเมื่อให้เหตุปัจจัยเกิดขึ้นจากการกระทานั้นมันก็มีผลที่ต่างกันแล้วถ้าเราสาวในตัวของมันเองไม่พอ ถ้าจะบอกว่เป็นศาชาตาสาชาตานิสยาศาชาตาติศาชาตาวิคตะสัมบยุตตะโอ้โหอาเสวนะแล้วมันพูดได้อีกเยอะใช่ไหมแต่แต่ไม่ต้องไปใช้ศัพท์มันแต่มันมันเป็นทั้งวันอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามตัวกุศลจิตเนี่ยมันมายังไงมาจากโยนิโสโอ๋อมาจากการคิดนี่เองมาจากจินตามัยะปัญญา ก, การคิดนี่แหละ ว, วิจัยคิดต่างตเหล่ า, า, านี้ตัวโยนิโสมนตริกานี่แหละเป็นปัจจัยเกิดกุศลจิต คนที่มีโยนิโสมมากกุศลจิตเกิดมากโยนิโสมัเกิดศรัทธาโยนิโสมัเกิดความเพียรโยนิโสมัเกิดสติโยนิโสมัเกิดสมาธิโยนิโสมัเกิดปัญญาทั้งหมดเหล่านี้ยตัวโยนิโสมในการมันกระตุ้นปลุกเร้าอยู่ตลอดเวลากุศลจิจมันก็เกิดต่อเนื่องทุตุตุตุตุมากเลยเดี๋ยวนี king, ้โยนิโสมมาจากอะไรเนี preserve, ่ยมาจากการสัตยธรมมวสันนะการฟังที่ดีจำมาแล้วการฟังมันจากการคบสัตว์บุตรคบสัตว์บุตอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมอย่างเงี้ย การอยู่ในถิ่นเหมาะสมมันมาจากการสร้างเหตุปัจจัยก็เลยปุเพกตะุญญาตาแล้วบอกอ๋อจากปุกเพกตะุญญาตาอัตสมัมมาปณิทิปมาปุเพกตะุญญาตาจากปุกเพกตะุญญาตามาอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมถิ่นที่เหมาะสมได้ครบสัตว์บุรุษสัตว์บุรุษท่านก็กล่าวธรรมะเพระกล่าวธรรมะไดโยนิโสพระไดโยนิโสกุศลจิตวบาทเกิดพอกุศลจิตวิบากเกิดปุ๊บมันวิจัยวิโยนิส ม, มากขึ้นเพราะมันมีพลังมากขึ้นกับปราโมด จากปราโมทเป็นปีติจากปีติเป็นปัสสธิจากปัสสติเป็นสุขจากสุขเป็นสมนทัศสมนัศเป็นสมาธิจากสมาธิเป็นปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงตามสถานการณ์นั้นๆเนี่มันมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอออย่างนี้แปลว่ามันมีพลังไหมเนี่ยวิจักเห็นไห้ในตัวปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการคิด คิดมนสิการไปเบ็ดเสร็จจนกลายเป็นจากโยนิโสเป็นประโยนิโสที่เป็นปัจจัยก่ัสุตตะโยนิโสเป็นปัจจก่ัจินตะพัฒนาทั้งสองส่วนมีพลังกลายเป็นภาวนามยปัญญาไอ้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติบาเพ็ญเนี่ยปัญญาที่นี้ภาวนามยปัญญาเนี่ยถ้าพูดตามหลักเลยนะมันได้ระดับไหนรู้ไหมในการลงมือปฏิบัติเนี่ยให้จัดอย่างนี้ ถ้าฟังแล้วเกิดเข้าใจตามเหตุตามผลอย่างชัดเป็นเป็ น, ปนสุตตะมยปัญญาก่อนวิจัยทำโยนิโสมนัสการเกิดขึ้นจนสามารถเข้าใจได้ลึกขึ้นละเอียดขึ้นจนสามารถเป็นปัจจัยแก่บปลาโมดปีติปัสสีิสุขจนเข้าถึงสมาธิได้เข้าถึงสมาธิเลยนะนั่นแหละภาวนาเกิดแล้วสมาธิระดับอุปจาระอัปนา อย่างใดอย่างนั่นแหละเป็นภาวนาระดับสมาธิมันเกิดแล้วเอาต่อเอาสมาธิเป็นฐานต่อได้วยกำลังวิปัสนาญาณตึงต้งตึงตงตง้แยกรูปแยกนามเห็นตามความเป็นจริงแล้วเดีนี้เห็นละเอียดแล้วนี่เขาเรียกว่าวิปัสนาบัญญาทั้งทั้งไปตัวปัญญาที่เกิดจากพุกผู้ดได้สมาธิที่เดินสมาธหรือวิปัสนาปัญญาในสองระดับนี้แหละที่เรียกว่าเป็น ภาวนามายปัญญาในพระศาสนาจริงๆตัวมันจริงๆคือตัวนี้แต่ถ้าจะเอาอย่างหย่อนๆหน่อยการที่วิจัยแยกแยะจนเห็นประจักษ์จนเห็นชัดแยกรูปแยกนามได้มันก็ได้แล้วระดับวิปัสนาปัญญาพื้นฐานก็เป็นภาวนาแล้วครับเป็นภาวนามายปัญญาสรุปคือ ตัวภาวนามายปัญญาเนี่ยนิวรธรรมไม่กุมรุมเป็นภาวนาระดับสมถะนั้นสมาธิทุกระดับเป็นภาวนามายปัญญาแล้วก็วิปัสสนาญาณทุกระดับก็เป็นภาวนามายปัญญาเห็นไหมฌานสมาธิวิปัสสนาสมาธิิมันก็มาลงตรงภาวนามายปัญญานี่แหละครับพอเข้าใจไหม ตัววิปัสนาปัญญามันเป็นขณนิกาสมาธิแต่เป็นขณนิกาสมาธิที่มีอุปจาระหรืออัปนาอยู่เบื้องหลังมันมีตัวส่งที่ดีกว่าไม่ใช่ขณนิกะสมาธิในขณะฟังทมสมาธิระดับนี้อ่อนแอถูกกิเลสโยมดีขณนิกาสมาธิของบุคคลที่เจริญ ปัญญาเนี่ยเจริญวิปัสนาปัญญาเป็นคณ้นการสมาธิที่มีตัวอุปจาระอยู่เบื้องหลังเช่นสมมุติท่านยิ้มได้ได้ฌานแล้วอยเงี้ยอยู่ในฌานเจริญวิปัสนาได้ที่ไหนมันก็ต้องตั้งมั่นในรมเดียวใช่ไหมก็ต้องเอาออกจากฌานก็มาต้องเดินฐานให้จิตเป็นคณิการสมาธิแต่อคนคนเดียวกันใช่ไหม เขาที่จัดการสงบนิวรธรรมได้แล้วนี่แหละที่มาเจริญวิปัสนาญาณจึงเป็นวิปัสนาญาณที่มีสมาบัติอยู่เบื้องหลังใช่ไหมล่ะมันก็คนละขนาดจิตเท่านั้นแหละท่านแต่คนคนนี้เขาจัดการนิวรเล่าคาบแล้วแล้วมาพิจารณาปัญญาญาณใช้ปัญญาในการวิจัยแยกแยะไม่คล่องไม่เร็วได้ไงแบบตื๊ดตื๊ื๊ืเลยครับเวลาพิจารณาื๊ดตื๊ดตื๊เร็วมากตอนนี้คิดอะไรอืดอึดอ่านแล้วช้าคิดก็ไม่ออก นี่เป็นอย่างนี้พอมองเห็นไหมล่ะท่นเป็นแบบนี้นะครับอ้าวถามดูมิสการเนี่ยคาว่ามิส ก, การนี่เขาแปลว่าผสม ถ้าหากผสมเนี่ยมันผสมกันไม่ได้นะครับแต่ถ้ามิสกะธรรมะหมวดผสมเนี่ยได้เช่นในหมวดที่แสดงแสดงมิสกะมิสกะในเนี่ยมีอยู่อ่ยกตัวอย่างเช่นพระลักษณเนี่ยพระลักษณ์เนี่ยเออย่างมรรคเนี่ยแทนที่จะ แทนที่จะบอกมร์แปดเนี่ยบอกมร์เก้าเลยใช่ไหมอย่างสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องใช่ไหมสัมมาสังกปรสัมมาวจารสัมมาอวัยมัสมาติสัมมาสมาธิแปดแล้วก็บมิจฉาทิฏฐิอีกหนึ่งเนี่ยมันก็ผสมกันแล้วก็เป็นมร์เหมือนกันไอ้มิจฉาทิฏฐิก็เป็นมร์เพราะเป็นมร์ที่ผิดใช่ไหมล่ะตัวทิฏฐิเจตสิกในอกุศลเจตสิกเนี้ย มันก็เป็นมรดายัางงี้เป็นต้นไม่ได้เกิดร่วมกันแต่เขาพูดถึงมิศกาบมารด์ทักจะกล่าวถึงมรด์เก้าสมมุตินี้ยหรือจะกล่าวอากุศลเนี่ยใช่ไหมอกุศลเนี่ยเช่นถ้าพูดถึงในเรื่องของวิริยะภะละเนี้ยอา้าวถ้าวิริยะนี่ประกอบในอกุศลก็ได้เพียรในการทําบาปก็จะได้เป็นวิริยะนะอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมล่ะ อย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเกาะประกะถ้าจะมันมีหมวดที่ผสมแบบนี้มีอยู่ใช่ไหมก็เริมิจฉะแต่เป็นการแสดงทั้งกุศลอกุศลเพราะว่าสภาวธรรมบางตัวเนี่ยวิตกเนี่ยเป็นมิจฉาสังกปะก็ได้เป็นสัมมาสังกปะก็ได้อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเป็นหนึ่งในมรักเหมือนกันเนี่ยแต่เป็นมรักเป็นมิจฉามรักกับสัมมามรักก็เลยกล่าวถึงมิจฉามรักอีกกลุ่มหนึ่งสัมมามรักอีกกลุ่มหนึ่ง อย่างนน้เป็ตไม่เป็นหมวดธรรมะที่ท่านต้องการแสดงให้เห็นว่าเวลาเราเกล่าวเรื่องสัมมาทิฏฐิได้ก็มีมิจฉาทิฏฐิกล่าวสัมมาสังกัปปะได้ก็มีมิจฉาสังกัปปะกล่าวสัมมาวาจาได้ก็มีมิจฉาวาจาสัมมารกรรมตะได้ก็มีสมัมมารกรรมมิจฉากรรมตะเนี่ยให้กล่าวอย่างนี้มันอยู่ในหมวดเดียวกัน แต่ไม่ใช่เกิดด้วยกันเวลาเอามาแสดงเนี่ยท่านแสดงให้เห็นในยกุศลเป็นอย่างนี้อกุศลเป็นอย่างนี้แสดงตรงกันข้ามไม่เห็นเลยลักษณะแบบนี้เขาเรียกแสดงเพื่อให้เห็นความต่างกันใช่เวลาเพี้ยนผิดมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยไอ้เพี้ยนผิดเพี้ยนโลภเพี้ยนกโกรธเนี่ยเพี้ยนในการทําชั่วทั้งหลายเหล่นี้มันมีอยู่นะแล้วก็ใช้ตัววิริยะด้วยเนี่ยแต่ถ้าวิริยะเพี้ยนโถก็มีนะเพี้ยนในการละบาปเนี่ย เก่าบาปใหม่เป็ตอร์เนี่ยเพียนถูกมีอยู่แต่ตัววิริยะตัวเดียวกันนี่แหละแต่จัดให้เป็นสองหมวดเลยหมวดอกุศลกับหมวดกุศลสแสดงให้เห็นความต่างนันเลยงี้เป็นต้นแต่ถ้าสติเนี่ยมีตัวเดียวกันนี่ไม่พอที่ปา ก, ก, ปกี้ธรรม ก, ก็เป็นทำเป็นฝักฝ่าย ก, ก, การจัดสรุปเป็นฝ่าย ก, ก, ก, ก, ก, ก, กุศลอย่างเดียว ถ้าถามว่าเป็นปุพพามไหมถ้าเป็นเบื้องต้นที่เกิดขึ้นก็เป็นปุพพาคแต่แต่เป็นได้ทั้งล อ, อย่างเช่นมกแตเล่นถามหมายถึงอะไร <c oughs> เขเข้าใจผิดอาจารย์ท่านเข้าใจผิดเนี่ยเวลาเรียนทรงวเดวิดดกมากๆแล้วเนี่ยพอเน้นไปน้นมานเข้าใจผิดได้ว่าตัวสติปัฏฐานเนี่ย ม, <c oughs> มันเป็นมันเป็นมนรรคผสมเป็นทั้งโลกีะและเป็นโลกุตระถ้าสรุปจริงๆก็คือตัวสติปัฏฐานสี่เนี่ยที่กล่าวไว้ในพระสูตรเนี่ยไม่ใช่โลกุตระในในพระสูตรเนี่ย เช่นสติเจตสิกก็ดีความเพียรก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ยมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยไม่ใช่ความเพียรในโลกุตราจิตไม่ใช่สติในโลกุตราจิตไม่ใช่ปัญญาในโลกุตละจิตแต่เป็นสติเป็นปัญญาและเป็นความเพียรในมหากรุศุลจิตที่เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นจึงไม่เรียกว่าเป็นมรรคผสมแต่อาจารย์ไปเข้าใจว่าเป็นทั้ง วิริยะสติและปัญญาในมหากุศลด้วยและเป็นวิริยะสติปัญญาในโลกุตละด้วยในสูตรเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาความเพียรในโลกุตละจิตไม่เอาความเพียรในมรรคจิตไม่เอาสติในมรรคจิตไม่เอาปัญญาในมรรคจิตเข้าใจไหมล่ะไม่เอามรรคแปดในในโลกุตละนั้นไม่เรียกว่าสติปัฏฐานในสูตรนี้แต่ไม่ใช่ในสติปัฏฐานวิพังนะ ท่านในสติปัฏฐานวิพังไว้คุยกันอีกทีนะในพระพิธรรมอ่ะในนี้ในพระสูตรในทีคณิกายเนี่ยในทีคณิกายมหาวักก็ดีในมัชชินมาณิกายมูระปันนาทเทติปฐานในสูตรเหล่าเนี้ยอันนี้หมายถึงมักเบื้องต้นอย่างนี้เป็นโลกียามักแบบนี้เออเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานเบื้องต้นเป็นต้นไปอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปเอามักในโลกุตละกับมักคโลกียะเป็นได้ทั้งสองส่วนความเข้าใจของอาจารย์พิษท่านก็เลยปิดมุมเลยโอ้โหขนาดอาจารย์ ทรงพระใจผีดก ok เป็นสุดตาพุทธะขนาดนี้ยังยังเลอะเลือนขนาดน right. yeah. yeah. so <wh> ี้เอาและเราจะปิดมุมต่อไปผู้ศึกษาติปัญหาในภายหลังจะได้ไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนว่าไงท่านก็เลยแก้สูดดูนี่ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊เลยแก้เสร็จแล้วเราไปอ่านยังมึนอีกเขาเขาจยังเอเนี่ยท่านต้องไปอ่านดูที่ท่านจะไม่มึนได้ไงขนาดเรามาอ่านยังมึนอีกเลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วเนี่ยผมก็เลยมาตั้งแก้ไว้ไงถ้ามาแก้บอกตุ๊ดตุอย่างนี้จะจบเลยถึงเนี้ยดีที่ถาม ตัว น, นี้ชัดก็ยังไม่ใช่ความเพียรในโลกุตราจิตบางทีบอกอ๋อมันเป็นทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นโลกิยาก็ได้โลกุตระก็ได้มั่วเลยอย่างี้ไม่เอาไม่เอาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นมรรคเบื้องต้นเป็นมรรคเบื้องต้นพอจะเข้าใจไหม ดังนั้นมีความเพียรมีสัพพัญญามีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเนี้เบื้องต้นเวลากุศลแจิตเกิดขึ้นตรง น, นั้นมีสติเกิดขึ้นมีความเพียรเกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นตอนนั้นอภิชาโทมนัสกุ้มรุมจิตไหมไม่กุ้มรุมนั่นแหละก็เลยขนขวายเบื้องต้นเพื่อไปสู่เบื้องปลายคือโล ก, กุตละสติปัฏฐานสี่เป็นมรรคเบื้องต้นนี้เอามาใช้ในชีวิตจริงนี้ปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงๆแบบนี้นี่เป็นอย่างนี้นะ งั้นเราท่องกันมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมันนั่นในโลกเสียได้ไม่รู้ทำไงกับโลกงงอยู่ยางเง้ยโลกในที่นี้คือหมายขันกระแสะชีวิตนี่แหละรูปขันส่วนหนึ่งนมามขันส่วนหนึ่งนี่คือโลกเรียกขันทะโลกโลกคือขันห้ามีสภาวะที่ต้องผุพังแตกสลายไปอยู่ตลอดเวลานี่คือโลกะต้องผุต้องพังต้องวิบัติอยู่ตลอดเวลา แต่เราถูกอภิชาคือความยินดีทอมนัทคือความยินร้ายกุ้มรุมตลอดเวลาเพราะไม่มีความเพียรไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสติในการดําเนินกระแสชีวิตมันก็เลยไม่เป็นสติปัฏฐานสัทีเข้าใจอย่างเลยไม่เป็นเลยในชีวิตจริงๆของพวกเรานี้ไม่เป็นเลยเป็นยังไงจะเดินไปเรียนก็ไปในระจำปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปื๊ดบปอาจจะไปกวาดกะจําไปตื่นตื่นตื่นตจะไปซักผ้าก็ตื่นตื่นไม่เป็นสติปัฏฐานสัทีเลยตอนเนี้ย ว่างกันเดี๋ยวจะไปเดินไปใหญ่เลยแต่เนี้ยมันไม่มีความเพียรไม่มีสมัมผนะัสใชไม่มีสติเกิดขึ้นเป็นกุศลกิจในขนาดนั้นไปปล่อยให้ความยินดียินร้ายมันเข้าซะนี่เลยไม่เรียกว่าสติปัฏฐานสัทีเลยวิ่งหาสติปัฏฐานทั่วประเทศเลยเ <c oughs> <c oughs> อยางี้นะยะอุปจารสมาธินี่คือถือว่าได้ฌานหน่งยังอุปจาระก็เป็นเพียงแค่ข่มนิวรธรรมได้เบื้องตน้น ถ้าตัวอุปจาระมันก็ <c oughs> มันก็มาจากการที่สมมติเราเราดำเนินชีวิตเนี่ยที่เป็นสติปัฏฐานได้จริงนะยืนเดินนั่งนอนทากิจกรรมปัดกวาดเช็ดถูนเนี่ยสติสัมปชัญญะและปัญญามีความเพียรที่สร้างสรรเพียรในที่นั้นเนี่ยเรากลับไปเพียรรูปธรรมซะนี่ เน้นไปกวาดห้องไปไปรูปธรรมอย่างนี้อย่างนี้มันไม่เรียกเขาเรียกเพียนทางกายแล้วแต่ไอเพียนจริงๆเนี่ยมันคือเพียนอะไรละบาปมันไม่ให้บาปเก่าทุจริตเก่า อ, อกัรกษศากตรมเก่าที่มันเคยเกิดเช่นนั่งฟังจะไม่ให้ความง่วงมันเกิดนะับตั้งแต่ขนาดนี้เป็นต้นไปอย่างเนี้ยมันตั้งหลักอย่างนั้น ไปกวาดไปถูก็จะไม่ให้โลภะโทสามโมหะมันไหลเข้าสู่จิตแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นเป็นอัตตาตัวตนไม่เข้าใจเนี่ยเพียรละ บ, บาปเก่าเพียรละ บ, บาปใหม่เพียนให้กุศลเกิดเพียนในการพัฒนากุศลให้เจริญไปบูญ ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีสติกำกับอยู่นะีในขณะที่กําลังก่อทําอยู่เข้าใจแยกแยกแย ก, กุศลอกุศลตอนนั้นคํากุศลแลจิตรักษากุศลไว้ไม่หลุดไปจากใจปิดกันไม่ให้อกุศลไหลเข้า มีปัญญาวิจัยแยกแยะในการกระทํำด้วยแล้วก็วิจัยแยกแยะที่จะชะําระกระแสนา ม, มาทำตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดในการทํานั้นด้วยมันก็เลยได้ทํากิจแล้วก็ทําจิตไปในตัวด้วยข อ, อยัดยังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้แปลว่าสติปัฏฐานเบื้องต้นได้อย่างได้แล้วแล้วมันเป็นนี้จริงไว้ชีวิตที่ผ่านมามันไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นว่าไม่รู้ ไม่รู้ปฏิบัติคือมันใช้ในชีวิตจริงแบบนี้มันไม่รู้จริงๆแล้วก็นอกจากบางทีรู้แล้วก็รู้ไม่ชัดบางทีรู้พอสมควรแล้วมันก็รู้ได้แคจ่จํายังไม่ได้สุดตะถ้าได้สุดตะมัปัญญาปุ๊บเข้าใจเปิเสร็จปุ๊บมันเข้าใจลึกชัดแล้วแต่เนี้ยจนขบคิดด้วยความดิทฤษฎีเข้าใจเปิดเสร็จเอาใช้จินตามัปัญญาทาความเข้าใจถ่องแท้ ทั้งสุตตาจินตะจากโยมสมนิกการจนกุศลจิตเกิดได้จริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆในการปฏิบัติบําเพ็ญมันเกิดแล้วโอ้พอไปกวาดไปปัดไปถูไปทํากิจต่างๆไปวินตาบัดมันได้กุศลจริงๆเว้ยมันได้แล้วมันได้ความเพียรได้สติได้สัมปชัญญะอภิชาและโทมาัตกลุ่มกิเลส ท, ทั้งหลายไม่ไหลเข้าสู่จิตแล้วโอ้เดินอย่างติดต่อและต่อเนื่องเลยแต่เนี้ยเนี่ยมันได้จริงๆเลยในขณะนั้นนี่การปฏิบัติมันเดินได้จริงๆแล้ว โอ้มันตื่นเต้นมันเห็นแล้วแต่เนี้ยได้ได้ได้สติปัฏฐานเนี่ยได้แล้วงั้นจะได้แบบไหนอาจจะได้แบบประเภทที่การกิเลสได้เป็นระยะระยะเป็นตะทางคะแล้วต่อมาสมมุติว่าโอ้โหมันพอจากกิจทากิจเบีดเสร็จปุ๊บมาอยู่สงบเข้าใจแล้วนี่จากแล้วก็ทำจนคุ้นเคยแล้วแต่เนี้ย จนกุศลละจิตเกิดง่ายมากความเพียรสติสัมปชัญญะเกิดได้ทุ ก, กียบบทแล้วพอมันนั่งปุ๊บขึ้นมาดูลมฟึดเดียวแค่นั้นเนี่ยสมาธิได้เลยน่นไอการได้เบื้องต้นจนได้จนเกิดนิมิตแสงบ้างนิมิตสีบ้างอะไรก็แล้วแต่เธอจนจิตตั้งมั่นได้พอสมควรนี่ก็เรออุปจาระไอน้นีวรมันสงบได้แต่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนสามารถ จะเข้าเวลาไหนได้ออกเวลาไหนได้จ น, นชนนี้จํานาในการเข้าได้อย่างรวดเร็วอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นปฐมฌานอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเห็นไหมเนี่ยตัวที่มันได้มันมาจากเดินสติปัฏฐานเบื้องต้นในชีวิตจริงได้ทีนี้พอไปเข้าสู่ความสงบเนี่ยมันส่งเข้าโอเลวเลยทีนี้ตึดได้เลยทีนี้พอมองเห็นไหมเป็นไปลักษณะแบบนี้ นี่แหละเขาเรียกว่าปัญญามันเกิดแล้วมันเกิดความเข้าใจไอ้ตัวภาวนามันเกิดขึ้นนี้สุตตะจินตะแล้วก็ภาวนาพอมองเห็นไหมนั้นตัวภาวนาวิญญา <c oughs> <c oughs> ก็ตัวปัญญาที่สามารถเข้าไปวิจัยแยกแยะจนสามารถเข้าไปแยกแยะ ที่บอกว่าเกิดจากการอบรมหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาทั้งสมาถะภาวนาและจนเกิดฌานสัมมาทิฏฐิและก็วิปัสนาปัญญาจนเกิดวิปัสนาสัมมาทิฏฐิกหนดรูปน้ำกัน5เห็นทั้งความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็ไล่ไปตามลําดับเพื่อจะเข้าถึงมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิปัจเวกสัมมาทิฏฐิที่กล่าวไว้นั่นเองทีนี้ในด้านของปัญญาก็เลยมีสมระดับ กรรมสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญาโลกุตระปัญญามีเยอะเลยทีเนี้ยที่จะพูดที่บอกไว้แต่เมื่อคืนนี้ก็พูดถึงในเรื่องของกรรมสกตาปัญญาครับก็คือว่าปัญญาที่ไปรู้ปัญญาที่รอบรู้เข้าใจความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายว่าล้วนแต่เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมไม่มีใครที่จะหลุดพ้นไปจากอานาจแห่งกรรมได้เลยใช่ กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยพูดถึงกฎแห่งกรรมเนี่ยนะเาเรียกว่ า, ท, า, าวท้าทาวัตถุสัมมาทิฏฐิสิบประการหนึ่งอัตตินังเห็นว่าการทำบุญให้ทานย่อมได้รับผลดีมีประโยชน์ไอ้ตรงนี้จริงๆรายละเอียดมันเยอะนะเราเห็นว่าการการให้ทานเนี่ย ทานจะมีผลไหมการให้ทานมีผลไหมมีไม่มีเจตนาทานเจตนาทานกับตัววัตถุทานไอตัววัตถุทานเนี่ยมันจะสรฤทิ์ผลเป็นเป็นทานได้มันต้องมีเจตนาลำพังวัตถุทานอย่างเดียว มันเป็นมันเป็นทานไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่การที่จะเป็นการให้ทานได้มันก็ต้องมีวัตถุเป็นอุปกรณ์ในการระลึกในการให้ในการสละอ้แต่ดวนดาวัตถุอย่างเดียวมันเป็นมันไม่ได้นะเนี่ยต่อให้เราอยู่กุฏินี้ขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่เป็นวัตถุทานนะถ้าไม่มีจิตจะคิดอย่างให้ โอ้เราได้กวาดปัดกวาดเช็ดถูให้ความสะอาดเพื่อให้คนมาอยู่อาศัยได้รับความสุขสบายร่มเย็นเขาจะได้ทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นดีจริงนอะเนี่ยมันเป็นนะอย่างเงี้ยถูถล็กอกหาเลยล็อกมไม่เป็นเลยนะเนะี่ย ได้ถู่าแต่ละทีมันตื่นเต้นทุกทีเลยที่จะทําให้คนได้อยู่ที่สถานทุดูทีมันจะเป็นได้ก็ตอเมื่อมันมันเชื่อมโยงกันกนี้อัติอัติทินนางการให้ทานมีผลนี่มีผลระดับไหนก็ว่าไปนะอย่างนี้ฉันท่าทานนางมีผลไหมให้ทานแบบเราเอียงพระรักมีผลหรือไม่มีผลโทสะทานนางมีผลไหม โมหะทานนางพยะทานนางกรังสถานนางสักขสาทานนางโสมนัตทานนางการให้ทานมีผลหมดแหละทําให้ได้โอ้โหอลังการล้าหมดเลยแต่แต่มันมีปัญหาเวลาผลทานมันได้มาแล้วมันมันออกจากมันไม่ได้ถามเวลาเราให้ทานให้ของเคี้ยวของบริโภคของกินทั้งหลายเนี่ยมันได้อะไรมันได้สรีละ งดงามเลยใช่ไหมทั้งสีทั้งทานเนี่ยทำไมเราจึงได้คนที่ให้ทานให้ของเคี้ยวของบริโภคทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ที่ว่าเต็มที่เจ็ดแห่งเนี่ยผลการให้ทานเนี่ยอูมไหประลาเต็มไหลเต็มหลังเต็มหลังมือหลังเท้าเนี่ยเป็นต้นเต็มเนี่ยเห็นไหมมันมีผลแต่ให้ด้วยลำเอียงพา ร, รักมันก็มีผล แต่พอให้มาแล้วมันยึดติดห่วงร่างกายห่วงผลของทานพอให้แบบลําเอียงพละรนี้เป็นต้นให้แบบไม่สละขาดเนี่ยได้ตามาได้หูมาได้จมูกมาได้ลิ้นได้กายได้ใจได้ทรัพย์ได้บุตรบริวารญาติมิตรห่วงเหนียวแน่นอยู่นัน่นเองเห็นไหมมันมีผลจนถึงสูงสุดมันมีผลหมดแล้วแต่มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเห็นว่ามันไม่มีผล อธิยิธถังการบูชากราบไหว้ได้รับผลยิธถังด้วยการบูชาการกราบการบูชามีผลไมไหมล่ะมีผลหรือไม่มีมีการบูชาก็มีผลจะบูชาคนดีหรือไม่ดีมีผลหมดบูชาพระเจ้าก็มีผลบูชาพระพุทธาก็มีผลแต่ดีหรือไม่ดียังไงว่ากันอย่างทีเนี่ยให้เข้าใจให้ถูกผลแค่ไหนอย่างไรเนี่ยอธิหูตังหูตังเนี่แปลว่าอะไรเนี่ย การรับเชื่อเชิญการต้อนรับการต้อนรับบางทีเขาแปลอีกอย่างนะไอ้หูตางสองนี้อาการต้อนรับการเชื่อเชิญเชิญครับ ม, มีผลนน่เชิญนั่งเชิญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการต้อนรับการปูอศัศนะการอะไรทั้งหลายเลยมีผลไ ม, ม, ล ม, มล่ใช่ไม่มีผลใช่ไแต่บางคนก็คิดว่าทำทำไมมันไม่มีผล งั้นคนบางคนถ้าไม่ศึกษาอะไรดีก็จะไม่ขวนขวายในการทํากิจในศาสนาถึงขวนขวายกันมากอัธิสุกตาทุกตานังกรรมานังพระรังวิปาก็เห็นว่าการที่ทําดีทําชั่วย่อมได้รับผลทั้งทางตรงและทางอ้อมนแน่นอนอัถิออยังโลโกเห็นว่าพบนี้มีอยู่พบนี้มีไหมจริงจริง จริงๆคราบว่าพบนี้มีเนี่ยหมายความว่าสัตว์อื่นที่มาจากพบ อ, อื่นที่ตายแล้วมาเกิดในพบนี้มีพบ น, นี้มีเนี่ยหมายถึงอย่างนี้อัติปรังโลโกเห็นว่าพบหน้ามีเห็นว่าสัตว์ที่ทำตายจากพบนี้ไปสู่พบหน้ามีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีการเห็นอย่างนี้เป็นสมาธิที่เห็นคำว่าเห็นทำไมติคือเห็นถูก แต่เห็นว่าไม่มีนะ่ยเห็นผิดก็เห็นเห็นอยู่เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวก็มาอยู่เนี่ยมันมาจะพบหน้ากันนังนั้น่ๆมั น, น, นมาจะพบก่อนนะที่เช่นเนรแห้มตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ถือว่าอะไรก็มาจะขันอื่นอัตภาพอื่นก็จะเป็นพบอื่นอยู่เนี่ยแล้วก็อัตถิมาตาเห็นว่ามารดา มีนายถึงคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วต่อมาดามีนะอธิปิตาก็มีอัตติสตตาโอปาริกายเห็นว่าสัตว์ที่พุดเนี่ยตายแล้วพุดโตทันทีมีเนี่ยคนโดยมากจะไม่ค่อยเห็นกันข้อนี้โดยมากปฏิเสธเลยนะว่ามีนะไอสัตว์ที่พดุดโตขึ้นทันทีเช่นสัตว์นรกเช่นเปรตเช่นอสุรกาย เช่นเทวดาเช่นพรมเนี่ยนะพบโตทันทีไม่ต้องมาค่อยค่อยโตอัตติโลโกสมณพรานาสัมมาปฏิปันนาอยังอิมังโลกังโอภาสตวาปรเร ว, วิภาเวตาเห็นว่าสมาาัมณพราณที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ประจักษ์แก้งโลกนี้และโลกหน้าดี่ตนเองและประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามได้นั้นมีอยู่ อันนี้กระทบถึงพุทธเจ้าเลยบางคนไม่เชื่อว่าสัตว์ที่ออปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถทำศีลสมาธิโดยเฉพาะปัญญาแทงตลอดโลกนี้โลกหน้าแทงตลอดอริยสัตว์และก็ประกาศให้บุคคลอื่นได้รู้ตามความเป็นจริงไม่มีอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นอย่าง กรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิฏิสมาธิฏิถ้าตรงกันข้ามเป็นวิชชาทิฏิงั้นกรณีอย่างนี้ต้องไปเข้าใจบางทีว่เฮ้ยเห็นการให้ทานมันมีผลมันมีผลทั้งแต่ในขณะปัจจุบันและก็ในการต่อไปมันต้องเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดเลยนะีรายละเอียดเยต้องไปเจาะดูจะเห็นก่อนๆเยอะทีนี้องค์คุณ องคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้พูดเรื่องสติปัฏฐานที่สำคัญที่สุดก็คือพูดถึงองคุณสามประการนะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติไอตัวนี้เป็นองคุณที่สำคัญที่สุดว่า เ, ออเราจะเดินในชีวิตจริงยังไงตัวนี้สาคัญเพราะว่าเวลาพวกเรามันกระชั้นโดยเฉพาะของอ า, ายิยานิถ้าไม่สามารถ ฝึกได้ในชีวิตจริงนี่จบเลยเนะพวกเรานี่แย่กันเลยนะครับเนี่ยที่ข้นขวายกันอยู่เนี่ยคือเราไม่เคยหยุดทารรกิจเลยแต่เรามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติไหมไอ้ตรงเนี้ยแปลว่าทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นเพียรละบาปทำให้ออกิเลสมันเล่าร้อนจริงๆริงย ประเด็นคือว่าถ้าความเพียรเกิดขึ้นจริงๆนะครับถ้าตราบใดยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่มีอกุสรจิตอยู่เนี่ยมันไม่ยอมไอ้ความเพียรตัวนี้ที่สร้างสรรค์นเนี่ยมันจะตั้งคำหมกักคำเม่นมันไม่ยอ ม, ไ ม, ยอมไม่ยอมให้เกิดถ้ามันมีอยู่ต้องเพียรพยายามในการที่จะละมันเทีนี้มันคําว่ามีอยู่เนี่ยมันมีโดยที่กําลังเกิดอยู่กับมีโดยการที่มันเกิดบ่อยๆเนาะ คำว่ามีเนี่ยโลภะโตสามโมหะนี่แปลว่ามันมาทีไรมันมันเกิดสบายมากเลยเช่นทีนะมีท่ามาเมื่อไรก็ได้สบายเลยเนี่ยในกระแสะชีวิตเนี่ยมันเหมือนเป็นเจ้าเรือนเลยเจ้าเจ้าชีวิตเราเลยเนี่ยไอกรณีอย่างนี้แปลว่าขาดความเพียรที่สร้างสารรค์แต่มาเรียนรู้ความจริงของชีวิตปุ๊บเนี่ยก็ตั้งหลักเลยนะ ไม่ยอมแล้วมันตั้งหลักอย่างนี้นะไม่ยอมเล็กต่อไปแล้วเออมันมาง่ายจริงๆวเว้ยพราะเห็นใครก็หงุดหงิดเห็นหน้าคนนี้ที่ไรไม่พอใจเก็บไว้แค่นั้นเองเห็นคนนี้หยิบของก็หงุดหงิดเห็นคนนั้นเดินไม่ถูกใจก็หงุดหงิดแต่ไม่อยากจะพูดปล่อยมันไปปล่อยมันไปมันเก่งใจมันแต่ในใจลึกๆเนะี่ยมันสร้างความไม่พอใจเคยเป็นไหแล่ะไอ้กรณีแบบเนี้ยเคยไหม เามาื่อคนนั้นาเคาะประตูผมโคตรเครียดเลยเคาะอีกแล้วเนี่ยเป็นไหมเนี่ยกรณีแบบนี้แปลว่าเราเราไม่เห็นโทษของความหงุดหงิดไม่เห็นโทษของความกโกรธไม่เห็นโทษของความเห็นผิดดงนั้นคนที่มีความเพียรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เอาไว้เขาตั้งหลักใหม่เขาตั้งเจตนาใหม่ว่าอันนี้มันมันบาปเก่าแล้ว ทจริตเก่าแล้วอกุศลเก่าแล้วมันอาศัยกระแสชีวิตเนี้ยครอบงํามาตลอดเวลาความเพียรมันจะว่ายัางไง ร, รู้ไหมมันจะบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันต้องอยู่ไม่เป็นสุขแน่ไอ้โลภะโทสะโมหะมึงไม่เป็นสุขแน่กูจะไม่ยอ ม, มนึกมันนึกอย่างนี้เลยมันจะเพียรใช่ไหมเพียรจะทําให้กิเลสเล่าร้อนแต่ก่อนมันเกิดสบายใช่ไหมเข้าใจไหมมันคลอง มันกระตุกเลยบอกไม่พอมึงออกไปไม่ให้มึงครองนานจัดแล้วบางทีนอนซึมเ ง, งี้ยบอกกูไม่ตามใจมึง อ, อีกแล้วมันมันอยู่ไม่สุขเลยครับกิเลสหาเหตุหาผลมันใหญ่มันดิมันวิง่งวิงวิงวิง ว, ว, ว, วิหาเหตุผลเสเสร็จพวกเด็ดขาดไม่ให้ ไปทันทีเนี่ยมันมันจะไปเลยโอ้โหมันเล่าร้อนเนี่ยนะไอ้กิเลสเล่าร้อนเขาเห็นไหมสับนี้บางทีเขาแปลว่าเพียรในการทําให้กิเลสเล่าร้อนคือมันมันไม่อยู่สุขเลยครับตอนเนี้ยแต่ก่อนมันสบายใช่ไหมอยากกินอะไรโอ้สบายอยากจะนอนอยากจะทําอะไรมันทําตามใจหมดเลยเป็นมันเป็นเจ้าชีวิตเลยว่างั้นเถอะมันเป็นเจ้าชีวิตเลยแต่คนที่มีความเพียรที่เป็นเดินสติปัฏฐานเนี่ยมันบอกเลย บอกว่ากูไม่กูยังไม่อยากลูกไม่ได้แล้วลุกลุกมันมันเลอะมันดำดรีอย่างนี้เลยนะพอดำรีดรีเสร็จปุ๊บมันลุกพวดเลยลุกแล้วมีอะไรไหมเนี่ยโหนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเองจะอยู่ไม่สุขนี่เพียนเลยแล้วมีสติกํากับปึกสติล็อกเลยเอย่างเงี้ยบอกว่าตรึงตึงไว้เลยจับ กุศลไว้ไม่ให้กุศลไหลจากจิตแล้วปิดทางตวานตาหัจมูกเล่นใจจะไม่ให้บาปราคาตัวสัตว์ไหลเข้าสู่จิตปัญญาสอบสวนวิจัยชำระเลยพฤติกรรมชำระจิตใจชำระทัศนคความนี้สะอาดมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติมันไม่ใช่ท่องได้อย่างเดียวครับมันเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วเอามาใช้ได้อภิชาและโทมนัสไม่ไห ล, เ อ, ลเอาแล้วเอาแล้เราจะทํำนี่ จะดูหนังสือจะทำอะไรทั้งหลายสังเกตจิตไปเรื่อยดูทํากิตไปเรื่อยโอ้โหแต่เนี้ยทํากิตต่างๆนี่ได้แล้วมันเริ่มเป็นแล้วแต่เนี้ยพมองเห็นนี่ยังมันปฏิบัติได้จริงอย่างนี้สติปัฏฐานมันออกมาแล้วแต่เนี้ยโหกลัวจะได้มันอุตแต่ก่อนไม่มีใครบอกอาจารย์วิธีปฏิบัติแบบนี้นะมันเอามาปฏิบัติได้จริงๆแบบนี้เลยนะโดยมากเราก็ได้แต่รูปแบบกันเมื่อตอนเย็นอาจารย์ไปในสวนอู้ อาจารย์ก็คอยจะเซ็นให้ต้องไปนั่งประนมมือเซ็นผ่านหรือไม่ผ่านไงทําไมผ่านมันต้องมาปฏิบัติใหม่มันโอ๊ยนั่งเรียบร้อยกันเป็นแถวเอ๊ะทำไมพระวันนี้เรียบร้อยเว้ยแหมอาจารย์ก็นั่งประนมมือเรียบร้อยทุกองค์เลยะแต่ก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยอยากถ่ายรูปไว้แล้วเกินนึก ใ, ใจโอ้โหเนี่ยกิเลสมันอ่อนน้อมเนะี่ยไม่ใช่อ่อนน้อมด้วยความเคารพ พระรัตนตรัยเลยรหรอเนี่ ย, ยกรณีแบบนี้ฉะนั้นในตัวความเพียรสัมปชัญญะสติสามตัวนี้ใช่ไหมที่จริงเนี่ยพอพูดสามตัวนี้ตัวอื่นไม่ต้องพูดถึงอย่าแปลกใจว่าทำไมที่แคว้นกุรุเนี่ยทำไมเขาเขาทำได้ในชีวิตจริงรู้ไหมในยะบอกว่าในแคว้นกุรุเนี่ยอุตุสปายะ คืออากาศมันเอื้อต่อกุศลจิตเกิดง่ายเขาเรียกสปายะครับมันเอือ้ออุตุบางที่เราอยู่มันไม่เอือ้ออาหารสปายะคืออาหารมันหาสะดวกนั่นอย่างหนึ่งไม่ยากเกินไปแล้วก็เอื้อต่อกุศลจิตเกิดที่อยู่สปายะมันเอื้อต่อการที่กุศลจิตเกิด โครจรส ป, ปายะที่ไปทํางานที่โครจรไปที่ต่างๆมันเอื้อต่อกุศลจิตเกิดแล้วก็บุคคลส ป, ปายะบุคคลทั้งหลายเหล่าเนี้ยเป็นคนมีสุดจริตสามกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตเป็นส่วนมากเลยฟังกันเะบุคคลเป็นส ป, ปายะเป็นคนดีอะสังคมดีสังคมคนดีกัน แล้วก็ธรรมะส ป, ปายะนี่พรุทธเจ้าเอาไปให้เลยตุงมเนะได้หมดเลยอิยาบทส ป, ปายะหมายถึงว่ายืนเดินนั่งนอนมันมันง่ายต่อการเดินกุศลทีนี้ประเด็นก็คือว่าอาหารส ป, ปายะอย่างพวกเราเนี่ยไปบินนาบาตเออก็ไม่ยากนี่อาว่าส ป, ปายะเอา้าก็สะดวกนี่เห็นไหมจริงๆโอตกุก็ไม่เลว อุตุเนี้ยก็โอเคมันสามารถเดินกุศลได้แล้วก็บุคคลเอา้าก็เป็นคนดีๆกันก็พอจะเกื้อกูลกันได้อยู่ใช่มใจไหมล่ะเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ได้ส ป, ปายาพอสมควรแต่เราขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมะส ป, ปายาเราขาดตัวนี้จริงๆดงั้นตอนนี้เราสามารถที่จะเดินธรรมะเชิงลึกได้แล้ว ถ้าเรามีสปายะเหล่านี้ค่อนข้างบริบูรณ์แล้วหรืออย่างเดียวว่าเออเราก็ใช้อียบทให้มันเหมาะสมอียบทไหนมันเอื้อต่อกิเลสก็อย่าไปตามใจมันอียบทนี้ที่ไรกิเลสมันเกิดนกนะ็ให้มันเอื้อปรับอียบทให้เหมาะสมคือทําร่างกายให้มันเหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันชาวแฟนกูรู้ถ้าเขาได้สปายะ เวลาเวลาพระจ้าไปเทศเนี่ยเขาไม่ต้องห่วงจะไปหาอาหาร MM. แปลว่าเขาไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารเขาไม่ต้องไปเดือดร้อนเรื่องที่อยู่ที่อยู่เขามีพอสมควรเขาไม่ต้องไปเดือดร้อนเรื่องสภาพอากาศเขาไม่ต้องไปเดือดร้อนในสภาพว่า ท, ที่โคจรไปไหนมาไหนจะไม่ปลอดภัยเขาไม่ต้องไปเดือดร้อนเรื่องบุคคลเพราะบุคคลมันเอื้อต่อเขาอยู่แล้ว เพราเวลาฟังธรรมะไปแต่ทีกลับไปก็ไปคุยธรรมะกันตตต่อได้เลยเห็นใครทำไม่ดีทั้งหลายเตือนกันเตือนกันเตือนกั น, น, กนด้วยด้วยด้ว ย, วยกุศลธรรมอย่างดีเลยพระเจติจึงไปแสดงธรรมะเชิงใช้ในชีวิตจริงและเชิงลึกและโอ้โหดังวิทั่วประเทศเลยตอนนั้นนะพอจากเปิดประตูที่แฟนกูรู้ได้้านอื่นฮือกันหมดเลยเอาไปปฏิบัติกันทั้งทั้งชมพูทวีบเลย ฉะนั้นแฟนกูรู้จึงเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นโมเดลฮะเป็นโมเดลเป็นเป็นโมเดลที่พระพุทธเจ้าไปเอาเป็นเมืองต้นแบบทำให้แฟนอื่นไม่ว่าจะเป็นแฟนวัชชีแฟนกุศลแฟนมคตแฟนสักกะแฟนต่างๆเหล่านี้เอามาเป็นได้แฟนกูรู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ในชีวิตจริงโอ้โหกระพือตึงเลยแต่เนี้ยคนก็บรรุ ก, กันใหญ่คนก็อยู่ในศีลในธรรมกันใหญ่คนก็ปฏิบัติในชีวิตจริงๆได้หมดเลยนี่เป็นอย่างนี้ครับทีนี้ไอธรรมะระดับแบบเนี้ยแล้ววิธีการที่จะเข้าใจในเชิงเรื่องแบบเนี้ยไม่ถูกจุดขึ้นมาพอไม่ถูกจุดขึ้นมาแต่เนี้ยและไม่มีคนเอาปพื่อปฏิบัติแล้วได้ผลจริง มันก็เลยกายจัดกันก็นได้แค่เป็นคอร์สเป็นคอร์สแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้หรือมาอย่างนั้นก็เป็นแค่บับไดบับหนึ่งไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวนั้นไอ้นีสายไหนดาสายไหนที่จริงมันต้องทําทั้งหมดกรรมฐ า, านเหล่านี้ท้องต้องทั้งหมดนะในกายานุปัสสนาอนาปานาบับอียาบทบับสัมปชัญญะบับธาตุมนัสการบับปฏิกูลนัสการบับป่าช้าทั้งเก้ามันต้องทําหมดเวทนานุปัสสนาจิตาธรรมานุปัสสนาตั้งแต่นิวรณ ะ, ะบับ แล้วก็อายตนะอุปาทานขันห้าแล้วก็โพชงแล้วก็จบลงด้วยอริยรสัจสัจจะบาอันันมันจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายๆ่นี่แหละมันเป็นเรื่องชีวิตเราเนี่ยครับเป็นเรื่องขันห้าอย่างนี้เป็นเรื่องของรูปขนันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเป็นอายตนะแค่นี้เองครับถ้ากลุ่มนิวรณ์ธรรมเกิดขึ้นเป็นอายตนะเป็นนิวรณ์บัพพา ถ้าเจริญสติสัมโพชง์เรียเป็นเป็นโพชังข้บบพะถ้าปัญญาไปเห็นอริยสัจก็เป็นสัจจะบพะมันมันมันเป็นเรื่องมไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับถ้าถอดรหัสออกมาให้เกิดความเข้าใจจริงๆมันเป็นเรื่องชีวิตของพวกเราที่มันจะต้องปฏิบัติได้จริงๆเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรเลยแต่พระเอิญเนี่ยมันใช้ภาษาอะไรกันจนมันซับซ้อนหมดเลยเวลาพูดอะไรก็ยากหมดเลยครับเข้าใจยากหมดเลย แล้วอาจารย์ต้องทนอยู่กับความยากมาเงี้ยตั้งสามสิบกว่าปีอยงนี้ถึงงีมันมนั่งนึกเอ้ยมันไม่ใช่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ง่ายจนไม่จนโอ้โหอะไรก็ง่ายไปหมดแต่ว่ามันมันไม่ได้ถูกพูดกันบ่อยๆสื่อกันบ่อยๆจนกลายเป็นชีวิตจริงของเราอาณาปาณะแบบที่ใช่ไหมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นตลอดสายมันเป็นเรื่องของระบบเรื่องมันมีอยู่จริงๆอ่ะ หายใจเข้าหายใจออกก็รู้เนี่ยแต่เราไม่รู้อย่าเงี้ยมันก็จบแล้วแปลว่าลมหายใจไม่เป็นอุปกรณ์แกการเจริญสติความเพียรและสมาธิและปัญญาใช่ไหมล่ะก็มันมียึมมันอยู่นี่แหละอุปกรณ์มีอยู่ในการที่จะฝึกความเพียรฝึกสติและฝึกปัญญาฝึกสมาธิมีอุปกรณ์อยู่แต่เราละเลยเนี่ยมีอยู่แล้วเราไม่เข้าใจกระบวนการชีวิตจริงๆริงยาวดืนเดินนั่งนอนมีอยู่ยาบดย่อยก็ใช้ทุกวันยาบดหยาบๆก็ใช้ทุกวัน ว่าไงเธอผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็อยู่กับมันนี้แหละว่าไงเธอธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็อยู่เงี้ยไอเนี่ยไอป่าช้าเนี่ยที่มีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณกับรูข่าวกันตายกันตลอดเงี้ยนั่นมันเรื่องจริงสุขทุกข์ก็มีอยู่เฉยเฉยก็มีอยู่จิตมีราคาไม่มีราคามันก็เกิดขึ้นในนี้แหละว่าไงเธอนิวรณ์กรรมฉันทานิวรณ์ก็เกิดขึ้นนี้แหละก็คืออุปาทานกันห้านี่แหละก็คืออายตนาเชื่อมโยงจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอายนาภายในหภายนอกหกแล้วก็ เวลาเจริญก like ็เป็นสติสัมโพชงธรรมเมาวิริาณสัมโพชงเป็นหลังการปฏิบัติพอชงนี่ไปเห็นอะไรก็เห็นสัจจะสี่เห็นทุกขสมุทัยด้วยมา้งมันมีแค่นี้เข้าใจไหมฮะแปลว่าอะไรก็อยู่ที่อยู่ที่เราแล้วอยู่ที่แต่ละบุคคลแต่ถึงเนี้ย พูดให้เข้าใจว่าจริงๆมันมีมันอยู่ทั้งหมดแล้วเพียงว่าเราไม่ได้ใช้ภาษาธรรมะสื่อกันเท่านั้นเองเราไปใช้อีกภาษาหนึ่งมันก็ไม่รู้เรื่องแล้ ว, ลวเราก็ไปใช้เราไม่เคยคิดถึงมันเลยแล้วเราเราเราไม่เคยตั้งใจที่ฟังคำสอนพระเจ้าจริงๆเลยถ้าตั้งใจจะฟังพบในข้าวโอ้โหมาสะใ์มาก มาสัจจันมากแล้วมันจะตั้งหลักว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเดินสติประฐานในชีวิตจริงแล้วจะฟังให้เข้าใจฟังไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเราจะต้องแทงตลอดอริยสัจได้เนี่ยมันคิดอย่างนี้มันก็ชื่นใจเขาใจยังเนี่ยมันตั้งหลักแบบนี้พอมองเห็นไหมถ้าอย่างนี้ก็ชัด <c oughs> แต่ถ้าไปพูดอีกวษาสาร ห, หนึ่อดิออ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 ใช่ไหมแต่ตอนเนี้พอหลังจากที่เรามาฟังภาษาที่ก็แปลสืบๆกันมาแล้วก็ได้ทั้งบาลีและและอัตถกถาดูดีกาพิเศษมาสรุปประเด็นเอาแล้วเริ่มมองเห็นนะเออสติปัฐานเราก็มาแยกว่าสติคืออะไรปัฐฐานคืออะไรใช่ไหมสติก็คือตัวสติเจตสิกนี่แหละปฐฐานในที่นั้นแปลว่าที่ตั้งหรือทำให้มั่นคง ทำให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องก็คือทำสตินี่แหละให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงติดต่อและต่อเนื่องโดยการที่ไปสติรละลึกอะไรถ้าระลึกไปที่กายเรียกว่ากายานุปัสสนาลึกไปที่ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นเวทนานุปัสสนาลึกไปที่จิตเรียกจิตตานุปัสสนาแลลึกไปในกลุ่มนิวรณ์ทั้งหลายเป็นธรรมานุปัสสนาเอาและเริ่มเข้าใจและต้องทำสติให้แข็งแรงและมั่นคงนี่ก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องสัมตัวเห็นไหมเริ่มไม่ยากใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้ยากไหม เยแล้วมันเอาไปทําได้ในชีวิตจริงๆตรงนั้นแล้วทําได้เดี๋ยวนี้ขนาดนี้ด้วยแล้วก็ฝึกกันไปได้เลยเอามันสงสัยตรงไหนก็มานั่นต่อนั่นต่อฟังให้เข้าใจคิดตึกตรองแล้วก็ทําลกภาคปฏิบัติบำเพ็ญให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆอันเนี้หลักการก็มีแบบนี้พ่อมองเห็นห ม, มีอะไรสงสัยพอสมควรก่เหตุดๆแล้วนะผมก็ดันพูดมาพอสมควรนนะั่นเอง พยายามฝืนอโอเค